วันนี้อาจจะย้อนมานิดหนึ่งนะย้อนนิดหนึ่งเมื่อครั้งเมื่อวานนี้เออมื่อวานนี้ก็พูดถึงในเรื่องของวิปัสสนาใช่ไที่ว่าวิปัสสนาที่ว่าแปลว่าวิมาจากคำว่าวิเศษใช่ยังจำได้เนาะ ส่วนคําว่าปัสนาเนี่ยแปลว่าเห็นวิปัสสนากขาแปลว่าการเห็นแจ้งอย่างวิเศษก็เลยบอกเห็นแจ้งสองลักษณะเห็นแจ้งรูปอารม์สัทธารมณารมราสารมโพธิพารมและธรรมารมที่มาปรากฏทางตาหูจมูกรินกายใจโดยความเป็นรูปนามขันห้าที่พิเศษออกไปจากปัญญัติและกระโดยการละ ทั้งสัทธบัญญัติและอัฏฐบัญญัติแล้วก็เห็นแจ้งในรมต่างๆมีรูปารมณ์สัทธารล์คันธารมรัศสารลมโพธพารมและธรรมารณ์เป็นต้นโดยการเห็นโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสุภาที่พิเศษออกไปจากนิจจสัญญาวิปลาสที่ออกไปจากสุขาสัญญาวิปลาสอัตตาสัญญาวิปลาสและสุภาสัญญาวิปลาส ธรรมชาตินั้นเรียกว่าวิปัสสนาได้แก่ปัญญาเจตสิกที่ในมหากุศลญาณสัมปยุตสี่และที่ในมหากริยาญาณ น, น่สัมปยุตเจตสีถ้าเป็นในมหากุศลหมายถึงวิปัสสาญาณของปุถุชนที่กําลังขวนขวายในการที่จะ ท, ทําิจตพ้นจากกิเลสและกองทุกข์หรือวิปัสสาญาณที่เกิดขึ้นปัญญาเจตสิกที่ในมหากุศลที่เกิดขึ้นกับ พระโสดาบันสกาธานะคานะแต่ถ้าปัญญาเจรสิกที่ในมหากริยานี่หมายถึงเป็นของพระอรหันต์นะทีนี้อย่างนี้แหละก็ธรรมชาติที่เห็นแจ้งเป็นพิเศษทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าธรรมชาติใดย่อมเห็นแจ้งในขันห้าโดยประการต่างๆอันนี้เจาะไปที่ขันห้าเลยนะ โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและเป็นอสุภะธรรมชาตินั้นชื่อว่าวิปัสนาได้แก่ปัญญาเจตสิกที่ในมหากุศลที่ในมหากิริยาอันนี้รับเน้นไปตรงนั้นเลยนะครับนี่คือเรื่องของธรรมชาติที่เห็นแจ้งครับนะแต่ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าในวจนะถาที่หนึ่งที่พูดถึงว่าวิกับวิปัสนาวิกับคำว่าปัสนาควแบบพิเศษเนี่ย เห็นแจ้งเมื่อรวมเข้าทั้งสองบทก็แปลเห็นแจ้งเป็นพิเศษวิเศษนะปัสตติเตวิปัสสนาธรรมชาติได้ย่อมเห็นแจ้งเป็นพิเศษฉะนั้นธรรมชาตินั้นก็เรียกว่าวิปัสสนาการเห็นแจ้งเป็นพิเศษนั้นมีอยู่สองประการใช่ไหมเห็นแจ้งเป็นพิเศษในอารมณ์ต่างๆที่มาปรากฏทางตาหัวจมูกลิ้นกายใจโดยความเป็นรูปนามขันห้าดยความเป็นเกษตรชีวิต อย่างหนึง่งอย่างนี้เ็าเรียกว่าอยู่ในขั้นของทิฏฐิวิสุทธิอยู่ในชั้นของยาตาปริญญายาตาปริญญาเนี่ยทิวิสุทธิหรือยาตะปริญญาเนี่ยเป็นการกำหนดรู้โดยการเข้าไปวิจัยแยกแยะโดยการเพิกสัตว์บุคคลอัตตาตัวตนเราเขาหญิงชายออกมางเห็นด้วยความเป็นกระแสะชีวิตที่เกิด ไปได้จริงๆชำระความเห็นผิดที่เรียกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเห็นด้วยความเป็นรูปประธรรมเป็นนามธรรมจริงๆเห็นเป็นกระแสชีวิตจริงๆปัญญาในระดับพื้นฐานเบื้องต้นอย่างนี้เขาเรียกเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์หมดจดเป็นทิฏฐิวิสุทธิเป็นสัมมาทิฏฐิในชั้นของ ปัญญายานที่เรียกวิปัสสนาญาณแรกซึ่งเราท่านทั้งหลายต้องให้เกิดสิ่งตรงนี้ก่อนไม่ใช่อยู่ๆไปยกสัตว์บุคคลอัตตาตัวตนขึ้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงซึ่งมันไม่มีจริงทีนี้ปัญญาที่จะเข้าไปเห็นให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดเหล่านี้ปัญญานั้นต้องมีฐานต้องมีที่มั่นต้องมีที่ยืน่น ก็คือบนจิตตวิสุทธิจิตตวิสุทธิคืออะไรก็ต้องย้อนกลับไปศึกษาในเรื่องของปริเตาสมถะและมหาคตาสมถะปริเตาสมถะมันได้แก่เอกคตาเจตสิกที่ไหนมหากุศลใช่ไหมมหากุตรจิตแปนั่นที่สามารถเข้าถึงอุปจารสมาธิ บางทีถึงขนาดท้าวาโดยกรสินก็มีขนาดปฏิภาคคณิมิตเป็นอารมณ์แล้วนีอุปจารสมาธิฉะนั้นโดยอนิสงส์แห่งการได้ปฏิภาคขณิมิตเป็นอารามณ์ปัจจัยเนี่ยเป็นอารมณ์ที่มันมันมันมีพลังมากมีอิทธิพลทําให้นิวรธรรมคือการมาฉันทาพยาบานะทีนามิธาอุทธจากุกุจจาวิจิจิชาเนี่ยสงบราบคาบลงเลยนเนี่ย หรือในขณะที่เจริญพุทธคุณมีสติมีสมาธิโดยเฉพาะองค์ธรรมจริงๆก็ไม่ได้เอาสตินะครับคำว่าในตัวสมาธิในที่นี้องค์ธรรมจริงๆได้แก่เอกคตาเอกคตาก็จะคือมะเขาเรียกสมาธิและสมาธิที่เป็นเอกคตาที่ขับเน้นในที่นี้ต้องเป็นสัมมาสมาธินะครับไม่ใช่มิจฉาสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ในมหากุศลก่อน นี่คริตตสมถะเป็นธรรมที่ยังมีอนุภาพน้อยอยู่ก็จริงอยู่แต่ว่าสามารถข่มนิวรธรรมได้บรรดาเจริญอนุสติหกนะฮะนี่หกบอกพุทธานุสติธรมมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจาคานุสติสเทวตานุสติอุปสมานุสติท่านอะไแล้วมรณ า, านุสติแล้วอะไร เจ็ดแล้วนะแล้วมีอะไรจากพุทธธรรมาสีลาจาคาสีลาจาคาเทวตาอุปสมมาแล้วก็แล้วก็มรณาที่แปดนะขออภัยแปดแปดนี้ได้อุปจารสมาธิ นับไปนับมาทำท่ า, ทาหรือไม่ช่วยกันบ้างเลยแสดงว่าไม่ได้ทำอนุสติครบในบรรดาอนุสติเนี่ยอนุสติอะไรที่ไม่ค่อยได้เจริญกรรมฐานหมวดไหนที่ไม่ค่อยได้เจริญไม่ได้ฝึกให้เกิดขึ้นเลย ไม่เคยเจริญจาานุสติระลึกบ่อยนะีลานุสติระลึกถึงเจตนาศีลเจตสิกศีนสังวรศีนอวิติกรรมศีลกุศลศีลกุศ ล, ลจิตที่กำกับพฤติกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามไม่เกินกนดไม่กระจัดกระจายไม่ซ่านไปด้วยความทุศีล เห็นการละความทุศีนได้เป็นระยะได้จริงๆกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดอาชีพบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาได้จริงๆรู้สึกมีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปตื่นเต้นทุกครั้งที่ระลึกมี่ไหมนี่สีลานุสติฮะมันคือตัวกุศลจิตที่มากำกับพฤติกรรมทางกายทางวาจานะครับแล้วเคยได้กุศลบตจริงๆไหมได้ไหมฮะ มีแวบๆแวบๆแวบๆบ้างไหมหรือว่าระลึกทีไรแล้วตื่นเต้นชื่นใจสุขใจสบายใจจริงๆเลยว่าวันนี้ได้งดเว้นอะไรอะไรได้จริงๆมันเข้าไประลึกแล้วมันรู้สึกดื่มดำในตัวกุศลละศีลที่ตนเองได้รักษาอย่างแข็งแรงและตั้งมัน่นแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อพอไล่ๆล่ไล่ไไปแล้วมันเห็นจริงๆเลยครับมันเห็นรู้สึกว่าตื่นเต้นขนลุก วืบวเป็นระยะระยะเนี่ยเป็นไหมครับนี่ศีลานุสติบางคนไม่เคยรเลึกเลยรักษาศีลมาโอ้บวชมาเท่าไหร่เนี่ยบอกบวชมาตั้งโอ้สิปียี่สิบปีไม่เคยตื่นเต้นกับการได้รักษาศีลแล้วอยู่เป็นธรรมชาติธรรมดาวันนี่มีเสียหายเลยเมื่อเผลอนับข้อศีลก็ไม่ได้ด้วยอันนี้หนักใหญ่ ไม่เคยชำระข้อศีลแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อลงไปเลยคนก็ชำระแต่ละข้อใช่ไหมสิบห้าวันไปชำระกันทีโอ้ยพอเราไม่ล่วงละเมิดตื่นเต้นฟังาราสาทยายปฏิโมกได้ตื่นเต้นทุกข้อเลยติดติดติดติดติติอพอเ็าบอกว่าเขาซักถามแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยตื่นเต้นทุกครั้งก็สาธุสาธุเราปลอดภัยเราปลอดภัยแล้วอย่างนั้นไหมครับ ไม่รู้เรื่องส่วนถึงไหนก็ศีลไม่ใช่ไม่รู้เรื่องแต่ไม่รู้เรื่องเป็นศีลรัปตาปรา ม, มาสโมหะเกิดปันเดนเป็นอย่างนี้แหละมันระลึลกไม่ได้ก็เพราะว่ามันไม่เข้าใจมันไม่เคยเอามา เ, มเคยจริงทเทวาตานุสติ อะไรบ้างหนึ่งศรัทธาสองศีลสุสตตะจากะปัญญาหิริอตปปะอันนี้เขาเรียกว่าคุณธรรมของธรรมเทวดาของเทวดาศรัทธาของเทวดามีจึงได้เป็นเทวดาศีลท่านมีศีลท่านถึงได้เป็นเทวดา ท่านมีจาค้าจึงได้ไปเป็นเทวดาท่านมีข้อมูลของราริยะเป็นต้นท่านจึงได้ไปเป็นเทวดาท่านมีปัญญาจึงได้เป็นเทวดาท่านมีความละอายต่อบาปมีความเกรงต่อบาปจึงได้เป็นเทวดาและคุณธรรมเหล่านี้ก็มีอยู่ในเราคนเดึกอย่างนี้เพราะกระตุนเต้นก็ศรัทธาของท่านท่านจึงได้เป็นเทวดาและศรัทธาของเราก็มี เกิดขึ้นในเราฉะนั้นคุณธรรมของท่านคุณธรรมของเรามันมีเท่ากันจุดแดงเหมือนกันก็เลยตื่นเต้นตอนที่เห็นศรัทธาในตนเห็นวิริเห็นสิญในตนเห็นจารค่าในตนเห็นข้อมูลสุตตาของปริยัตในตนเห็นปัญญาที่เกิดขึ้นในตนเห็นความละอายต่อบาปเห็นความเกรงกลัวต่อบาปในบรรดาเทวดารรทำทำที่ทําให้เป็นเทวดามีคุณธรรมของเทวดามีแม้ชั้นใด คุณธรรมเหล่านั้นก็มีกับข้าพระเจ้ามีกับกระแสชีวิตนี้ถ้าระลึกอย่างนี้เขาเรียกว่าเทวานุสติระลึกคุณธรรมที่มีอยู่ในเทวดาและคุณธรรมหมมีในเราฉะนั้นถ้าไม่พ้นทุกขเราก็ต้องเป็นเทวดาอยู่แล้วเพราะเรามีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ต่อเนื่องติดต่อและต่อเนื่อง แต่เราไม่ไคุณธรรมแบนี้นะแตพ่พิจารณาอย่างนี้แล้วมันมีในตนมันเห็นคุณธรรมเหล่านี้ในตนก็เลยตื่นเต้นก็เลยตั้งมั่นก็เลยข่มนิวรธรรมได้นี่เด็กเราเทวตานุสติก็เาเลยเลิกกันแบบนี้ <c oughs> เคยเ ล, ลิกไหมครับ <c oughs> ไม่เคยเ ล, ลิกก็ต้องบอกว่าไม่เคย <c oughs> ใช่ไหมละ่ะ ไม่เคยเรยไม่เคยทยซ้ำไปยังไม่ค่อยเห็นมีใครสอนกันนี่เนีย่ยเพิ่งมาสอนนี่แหละเนี่ยฮะใช่คือเขาคึกว่กาธรรมะคุณธรรมเหล่านี้ ของเทวดาท่านมีท่านจญิงได้ไปเป็นเทวดาไม่ว่าจะเป็นรุกขเทวดาอากาศัทธาเทวดาภูมัตถาเทวดาใช่ั้ยเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้เทวดายี่อยู่ในอากาศเทวดาที่อยู่ในบ้านเรือนหรือเทวดาที่อยู่ในจาตัวหมาลาชกาเตาวทิงสายามาดุสิตานิมาราดีปารานิมมิสวสวัสดีตลอดถึงกลุ่มพรมทั้งหลายเหล่านี้ก็มีศรัทธาเขามีศีล เ, เขามีข้อมูล เขามีจากกะเขามีปัญญาเขามีความละอายต่อบาปเขามีความเกรงกลัวต่อบาปคุณธรรมเหล่านี้มีอยู่ในตนไหมอยู่ในกระแสะชีวิตนี้ไหมถ้ามีก็เรียกว่ามีเทวธรรมเทวดามีฉันใดคุณธรรมเหล่านั้นก็มีในตนฉันนั้นเวลาเกิดความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปขึ้นมาทีไรอ๋อเทวธรรมเกิดขึ้นในเราแล้ว ก็รละลึกถึงคุณธรรมของเทวดาแล้วก็ระลึกถึงคุณธรรมในตนแล้วก็ชื่นใจขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมากิเลสนิวรณธรรมสงบระงับได้เขาเรียกว่าเข้าถึงเทวตารู้สติหลักการแบบนีอย่าไว้เลืกโอ้เทวดามีศรัทธาโอ้มีเทวดามีศีลแล้วก็เงียบหายก็เหมือนเราเราจเจริญพุทธคุณเรามักจะเจริญกันแบบนี้ไปนึกถึงเดชคุณของพระเจ้าใช่ไหม ศรัทธาแะตถาคดโพเชื่อมั่นปัญญาของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นสมาธิของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นศีลของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่น菩ั พ, พันยุตยานนาวรณญาาเชื่อมั่นในพระจริยาคุณทุกอัตภาพที่บำเพ็ญมาเชื่อมั่นในพระสรีลคุณเชื่อมั่นในพระตะคุณจบเลยไม่เชื่อมั่นตนเองว่าจะสามารถฝึกตนเองให้เข้าถึงธรรมะที่พระองค์ทรงตัดสรู้ได้ ก็เลยไม่ได้พุทธานุสติเห็นไหมแปลว่าไม่วกกลับมาหาตนนี่จำ ไ, ได้แล้เดิมมากเป็นแบบนั้นเหมือนคนที่จะเจริญอาณาปณะสติไม่ยึดโยงอะไรกับพุทธเจ้าเลยอะนั่งปั๊บดูลมเฉยไอตัวเองก็เงียบบเฉยค่อยๆเงียบใจก็เริ่มเศร้ามองลง ดูลม้มไม่ตื่นเต้นอะไรเลยดูเข้าดูออกสงบหน่อยสงบหน่อยง่วงนอนดีกว่าอันนี้เขามีคิดแบบนี้วิธีเจริญก็ไม่ได้คิดแบบนี้ เ, เขาคิดยังไงเขาเขาเขาเป็นเรื่องเป็นลาวเลยนะครับใช่ไหมอาณาปานสติเนี่เป็นประธา น, นากรรมฐานนาเป็นประธานของกรรมฐานทั้งปวง อาณาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วย่อมยังบาปอากุศลธรรมที่ชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วแล้วในกระแสจิตให้ดับลงอย่างรวดเร็วไม่้ฉันได้เหมือนฝนใหญ่ที่ตกในสมัยไม่ใช่ฤดูการยังฝุ่นละอองที่ฟุ้งขึ้นในฤดูร้อนในสงบราบคาบอย่างรวดเร็วฉัน้นใดอาณาปานสติเนี่ยที่ภิกษุเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วก็มีอานิสง์มีพลังขนาดนั้นแหละ จะสามารถสงบกลุ่มกิเลสมีนิวรธรรมเป็นต้นให้สงบราบคาบอย่างรวดเร็วฉันนั้นนี้เป็นพระดํารัดของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าที่ตรัสแล้วมีหนึ่งไม่มีสองแม้ฉันใดเราจะอัญเชิญอาณาปานาสติสมาธิ ท, ที่พระบรมศาสด า, สดาทรงบรรลุทรงกระทมให้มีให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตของตนเองนับตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไป่าคิดอย่างนี้แล้วเป็นไง เราจะเข้าเป้าพระพุทธเจ้าได้ด้วยการเข้าถึงพระธรรมพระพุทธเจ้าบอกธรรมและวินัยที่ทถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วธรรมวินัยจะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราเราจะเห็นภรษาศาสดาในตอนแล้วภาษาศาสดาประทับนั่งในในเหมือนประทับนั่งบนกระหม่อมข้าพเจ้าแล้วอาณาปานสติสมาธิเป็นศาสดาของเราโอ้พรคิดอย่างนั้ อยากจะเจริญไหมถ้าคิดอย่างนี้ยอยากจะเข้าเป้าไหมเล่าโอ้หอยากขึ้นมาทันทีใช่ไหมเห็นไหมว่าการที่เราไม่เข้าใจว่าอาณาปณะสติเกี่ยวข้องอะไรกับเราถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นึกห่างเหินนึกพระพุทธเจ้าตรัสอาณาปณะสติเราจะได้เรื่องเดแล้วเราก็ไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นเลยนี่ถ้านึกอย่างนี้ผม ผมเป็นกรรมฐานของเจ้าเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าองค์พระเจ้าเป็นสมบัติพระเจ้าแล้วเราเป็นลูกก็เสร็จมีโอกาสจะได้รัสมบัติ ท, ที่พระองค์ทรงประทานไว้แน่นอน <c oughs> โอ้โห ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญบัตรนี้ข้าพเจ้ากําลังบริโภคใช้สอยสมบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพุทธบุตรเราเป็นพุทธบุตรของพระพุทธเจ้าเรากําลังใช้สอยสมบัติของพระพุทธเจ้าบริโภคดื่มดมมีโอชามากมีรสอร่อยมากหอมหวานมากปุงแต่ง ปัญหาสติไม่ต้องไปปรุงแต่งโหสุขสุดยอดโดยปรุงแต่งไม่ต้องมีรสชาติในตัวเลยไม่ต้องเติมเครื่องปรุงอนนานาปานสติเนี่ยคุณทำไปเลไม่ต้องไปเติมเบิมเครื่องปรุงยิ่งทํายิ่งอร่อยยิ่งทํายิ่งลึกซึ้งยิ่งทํายิ่งสงบยิ่งทําแล้วยิ่งตื่นเต้น <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างนี้ <c oughs> ยิ่งมีรสชาติ ย, ย, ยิ่งมีรสชาติจริงๆไม่ต้องไปปรุงรสไม่ต้องเหมือนอาหารที่เป็นอ า, นอาหารทิพรสเลิศฉะนั้นบริโภคแล้วเนี่ยมีรสชาติหอมหวานอเนบอร่อยในตัวของมันเองอยู่แล้วเพราะเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าเา เขามานตรีการอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แล้วมันตรงไปตรงมาแบบนี้ก็ยิ่งทาไม่ใช่ไปอยูอ่ไม่ต้องนั่นอะไรนั่งเฉยใช่เข้าใจหมเนี่ย <c oughs> อันนี้ที่พูดเนี่ยพูดไปตามคำสอนใช่มยังน้อยได้ซ้ำไปที่ยกมาเนี่ยยังมีอีกเยอะแต่นี่ เพราะเรายังไม่ได้เจริญอาณาปณะนะนี่พูดให้ฟังนี่พูดให้ฟังก่อนคือมันได้สภาพจิตอย่างนี้แล้วจึงต้องไปถึงได้ไปเดินวิปัสสนาญาณได้ไงได้จิตที่สะอาดเทียบอ่องแล้วถึงมาเจริญวิปัสสนาญาณที่กําลังพูดวัจนธาติหนึ่งที่สองที่สามกันอยู่เนี่ยที่มาย้อนร้อยเมื่อวานนี้แหละมึงได้บอกว่าโหผมพูดในเรื่องนี้ทีไรแล้วของขึ้นเข้าใจคําว่าของขึ้นอยากทําอยากหยุดนะอยากไปทําดีวกว่า เสียเวลาพูดจังเลยเราเนี่ย แ, แต่เหมือนคนชวนเราไปกินเลี้ยงและมีอาหารอร่อยที่สุดนยลองคิดดูสิพอแค่ได้ยินคำพรรนา น, นิดเดียวแค่นั้นเลยแลวเราเคยกินแล้วลองคิดดูมันไม่อยากจะพาร น, นานานแล้วหยุดดีกว่าก็จะไปกินมันเป็นอย่างนั้นก็ใจอย่างแต่พูดแล้วของมันขึ้นมันมีความสูก สุขจริงๆ ร, งรงับประกันได้ัำยี่ห้อสัมมาสัมบุท ธ, ธานี่รับประกันได้ไม่หนึ่งไม่มีสองนีม่มีอาเสจนาโกไม่ต้องปรุงรสที่เราทำแล้วเนี่ย เราไม่เคยได้ลบชาติใงความอร ե ศอร่อยประณีดเลยแสดงว่าเราไม่ได้บริโภคอาณาปณสติจําไว้นั่นแหละเราไม่ได้บริโภคถ้าบริโภคแล้วจะไม่มีวันลืมว่ามีรสชาติออืตื่นเต้นแสดงว่าไม่ได้ไม่ได้บริโภคถ้าคนได้บริโภคแล้วเนี่ยจะพูดจะคนละเรื่องเลยเวลามาพูดเนี่ยพูดแล้วหน้าใช่ใช่เลย แค่คำเชิญชวนยิ่งอยากทำแล้วใช่ไหมล่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆไปไม่ถึงร้านอาหารแล้วไปถึงแล้วบางทีไม่ได้บริโภคดูสิเนี่ยบางคนหกสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าแปดสิบกว่าสี่สิบกว่าปีสามสิบกว่าปี ไม่เคยได้กินอาหารรสเลิศของพ่อไม่ได้บริโภคสมบัติของพ่อที่ประณีดวิจิตบรญจงเลยว่าไงไนายเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นอยังไงเออไม่ได้เลย เ, ลยเสียยี่ห้อพุทธบุตรใช่ไหมเสียยี่ห้อพุทธบุตรเลยนะ ถ้าพูดถึงบอกว่าไม่ได้เป็นมกุฎราชกุมารไม่มีโอกาสเป็นกษัตริย์เพราะอะไรทำตัวไม่ดีหรือคุณสมบัติไม่ถึงใช่ไหมทั้งๆ ท, ที่เป็นลูกของพ่อแล้วกลับตัวซะสิ ก็กลับเนื้อกลับตัวเป็นพุทธบุตรของพ่อเราจะได้ใช่ไหมเพราะมีสิทธิ์ได้อยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะพุทธเจ้าเนี่ยได้สเวสได้เขาเรียกว่าวิมุตติชัดได้สเสวตชัดเขาเรียกว่าได้ราชาพิเศษใช่ไหมล่ะที่ใต้ต้นโพธิพึกนั่นแหละและต่อมา พระพระเจ้าก็เราในสานะเป็นพุทธบุตรก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าได้อภิเศกเป็นพุทธะตามพ่อทุกคนมีสิทธิ์พุทธบุตรพุทธธิดามีสิทธิ์หมดเลยนะแต่มันเป็นที่เราไม่เข้าท่าก็เ ไ, ไม่ได้รับแต่งตัง้งไม่ได้เป็นทายาทเนาะ เป็นธรรมทาญาติธาญาติโดยธรรมะนั่นตรงนี้ก็ต้องตั้งหลักกันให้ดีนะเป็นมนุษย์ก็แล้วก็เป็นแล้วเป็นพุทธบริษัทก็เป็นแล้วพระสัธธรมก็มีแล้วพุทธเจ้าก็อุบัติเกิดขึ้นแล้วพระสัธธรมก็มีแล้วเหลืออย่างเดียวทำไมไม่ทำตามแค่นี้เองแค่อย่างเดียวแค่นั้นเองเหลือเวลาไม่นานแล้วนะ เวลาที่เหลือไม่นานแล้วนะครับแบบนี้ก็เตือนกันในฐานะว่า เ, ออเห็นพวกเราเข้ามาในพระศาสนาเดี๋ยวก็มัวไปทำกิจที่ไม่ใช่หน้าที่ไปให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นไอ้เรื่องความที่จะได้รับได้เป็น ราชกุมารของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เป็นยุ่งเลยวิ่งวนกันอยู่นี่เอออันนี้ก็นั้นตรงนี้พรนึกอย่างนี้เราจะได้มีพลังเราจะได้รู้สึกว่าเออเราจะได้ไม่มัวมันหลงทิศลงทางพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อเราผิดทางทําอะไรผิดไปแล้วเนี่ยย้อนมาปุ๊บเนี่ยเมื่อเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษ แก้ไขปรับปรุงใหม่นี้เป็นความเจริญงอกงามในตามแบบอย่างของอริยชนพระพเจ้าอดโทษให้นะพระเจ้าอดโทษให้พวกเรานะครับพระธเจ้ามีพระกรุณามีพระเมตต า, าอย่างนั้นจริงๆถ้ามันผิดจากเดินทางผิดกระทาผิดหลงผิดอะไรหนึ่งกลับมาเถอะพระเจ้าคอยเรา 5,000 ปีนะในเขตที่พระเจ้ายังให้โอกาสแต่โอกาสของชีวิตเราเนี่ยจะได้พบไหมเนี่ยมันไอ้ตรงนี้คือปัญหาจุดตีจิตเกิดเปลี่ยนพบโอกาสพลาดสูงแล้วเราจะไปหาใครจะไปฟังธรรมะที่ไหนที่จะสามารถดึงเราได้เข้าถึงใกล้ชิดพระเจ้าได้จริงๆไอ้ตรงเนี้ยท่านสร้างเหตุอะไรถึงจะได้กัญยาณมิตร ท่านลองไปดูซิในสังสารวัฏในกรรมที่ท่านทำอ่ะท่านสร้างเหตุอะไรเหตุอะไรที่จะได้เข้าใกล้กัญญาธมิตรมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสร้างเหตุอะไรถึงจะรู้ฟังคําของพระพุทธเจ้าแล้วใช่แยกแยะได้เออมันต้องมีเหตุปัจจัยถ้าไม่ยือยู่แล้วฟังเข้าใจนะครับเคยสังเกตุไหมว่าเราฟังเรื่องกรมคุณเราฉลาดมากปั๊บเข้าใจปั๊บเข้าใจพอฟังเรื่องพุทธคุณมึน มัทำไมเป็นเงินทรราคุณก็มุนสังอคุณก็มุนนี่เมันเพราะอะไรเข้าใจยากจงแค่นี้ก็ควรจะเอีกใจแล้วว่าเราเห็นผิดมานานแสดงว่าส ก, กิท์ไม่ค่อ ย, อ ย, อยไม่ค่อยมานี่ต้องต้อ ง, ต, องต้องตั้งหลักใหม่ขอให้เราได้กัลยาณมิตรใช่ไหมกุศลที่ถาเนี่ยขอให้ได้กัลยาณมิตรเกิดใน ลมเงาของพุทธศาสนาได้ครบัป็นดิต์ได้ครบกรัลยาดได้ฟังพระสัตวรรมได้มีโอกาสประพฤติทำตามสมควรแก่โลกุตละธรรมนึกตั้งอัธน า, าศาัยแบบนี้จริงๆไม่กุศลที่ทำทั้งหมดระดมเพื่อให้ได้ที่ปรึกษาที่ดีสาคัญ ม, มากนะครับถ้าท่านเข้าใจคำว่าเพราะไม่ได้ที่ปรึกษาที่ดีนี่แหละมันถึงเจ็บปวดในสังสารวัฏ อาชีพทุกอาชีพประสบความสําเร็จได้เพราะที่ปรึกษาแม้การที่จะเป็นพุทธะตั้งแต่สัมมาสัมพุท ธ, ธปะปเจกพุทธะสาวกสาพุทธะบุคคลที่เป็นได้สังเกตดูกไหมท่านต้องเรียนมาต้องหากัลยาณมิตรมาอย่างมากมายสาวกสาพุทธะมันถ้าได้ที่ปรึกษาผิดพลาดทั้งสังสารวัฏ พลาดเลยนะครับมันหมายถึงการเดินทางผิดทั้งทั้งสังสาราวัสเลยเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดว่ามันหา ง, ง่ายนะครับไม่ใช่ถ้าไปครบค้นผิดขึ้นมาเมื่อไรเนี่ยแล้วแยกไม่ออกเขาอีกเราท่องกันได้หมดแล้วครับปีโยคุรุภาวนิโยวตาจวจนาคโมคัมภีรันจักกะถังกตาโนจัตถาเนจานิโยเย ไม่เข้าใจปิโยนีย่น่ารักเนี่ยเราก็แยกไม่ออกเลยน่ารักยังไงวันเดียยาวเลยเดี๋ยวนี้มีพฤติกรรมทางกายทางวาจาทั้งหลายเป็นต้นนี้น่ารักครูเนี่ยใชห่หน้าเคารพเนี่ยอยู่ใกล้มีความสุขไหมอบอุ่นไหม ปลอดภัยไหมปลอดภัยภัยจากกิเลสภัยจากอากุศลกรรมที่มันจะนีน่ปลอดภัยไหมล่ะภาวณียโยไหมว่าความอะไรเพราะอยู่แล้วเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญาเจริญเจริญขึ้นได้จริงศีล ส, สมาถาวิปัสสนาศีล ส, สมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วเจริญท่านไปอยู่กับท่านแล้วท่าน กระตุกเราให้เกิดได้ตลอดภาว น, นิโยนะครับวัตตานี่ก็เรียกว่าฉลาดในการให้ข้อมูลฉลาดในการบอกข้อมูลเราไปอ่านได้หมดแล้วครับแต่บอกแล้วมันไม่กระตุกเราออกจากบาปอะไม่เคยกระตุกเราออกจากบาปไม่ไม่ให้เราออกจากความเห็นผิดได้เช่นศรัทธาเรามไม่เพิ่มขึ้นเนี่ย ท่านพูดแล้วสรัทธาเราเพิ่มขึ้นความเพียรเราเพิ่มขึ้นสติสมาธิปัญญาเราเพิ่มขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าตาใช่ไหมฉ<ม>ลาดในการพูดมโมก็คือเป็นคนที่ทนทนพฤติกรรมที่ไม่เข้าท่าของเราได้พนดรียกว่าเนี่ยพูดทนทนพฤติกรรมเราเลอะเทอะ ทนตพฤติกรรมของเราทนต่อความงี่เง่าของเราทนต่ออะไรเราเยอะซึ่งความผิดพลาดของเรามีตลอดไงทนได้เน่ย ไ, ไหมหรือว่าเราไปตําหนิไปต่างๆเนี่ยท่านก็ทนเราได้ที่หนักไปกว่า น, นั้นนี่ยอะไร ไ, ไปฆ่าท่านไปตัดงวงท่านไปฆ่าท่านไปท่านก็ทนเราได้ทนได้เนะี่ย ดูสิหนึ่งวางแผนไปฆ่าท่านท่านยังให้บรรลุได้เนี่ยท่านท่านยอมนะเนี่ยมีใครยอมเราอย่างนั้นไหมถ้าไม่ใช่กัลยาณมิตรไม่มีทางแล้วครับหนึ่งท่านศักยภาพเหนือเราใช่ั้มทั้งวิชาและเจรณนะเข้าไปครับเจรณะเป็นชื่อของศีลเป็นชื่อของสมาธิวิชาเป็นชื่อของปัญญาใช่ไห ลอนดูดิสีแล ว, วิสุทธิจิตตวิสุทธินี่ก็เลยเจรณะปัญญาทุกระดับมันวิชาใช่ไหมคนที่มีทั้งศีลทั้งวิชาและจจรณะเหนือเราทุกดา้านจะเล่นงานเราอย่างไงก็ได้แต่ทนพฤติกรรมของเราได้เนี่ยคือพุทธเจ้านี่คือกระยาณมิตรที่สูงสุดใช่ไหมครับเนี่ย กรณีอย่างนี้ดีเรามองมองอยังไงว่าตาเป็นผู้ว่ากล่าววจินะ์นัข่าวทนต่อต่อคําว่ากล่าวทนต่อพฤติกรรมที่ไม่ได้เรื่องในร้าวของเราคือถ้าคนอ่านอะไรขาดเนี่ยหรือเข้าใจนะครับในแต่ละบุคคลเนี่ยมันน่าน่าคบที่ไหนอะพวกเราเนี่ยเป็นคนน่าคบที่ไหนแล้วไม่น่าอยู่ใกล้ด้วยทั้งหมจริงจรเนี่ย อยู่ใกล้แล้วมันต้องวางท่าทีอะไรเยอะกุศลก็หายอะไรก็หายใช่ไหมครับมันไม่มีอะไรที่มันจะจะไปปรึกษาเลยเราเรามีอะไรให้มีแนวทางอะไรที่มันถูกต้องมีแต่ความคิดเห็นแต่ความรู้จริงๆเห็นช่องทางจริงๆถ้าไม่มีอะัร น, นั่นอ่านขาดหมดเลยครับมองมองไปเนี่ยมไม่มีหรอก เนี่ยมั ต, ต้องมาทนอยู่กับคนแบบนี้วจนะคาว่าต้องมาทนอยู่กับคนมีอะไรอ่ะจริงๆอย่างเราเราเร้จไปช่วยอะไรกัญญาณมิตรเขามีแต่เราต้องเกาะกัญญาณามิตรว่าจริงจริงเนืเพราะกําลังกุศลกําลังแรงต่างกําลังแรงทุกท่านพร้อมหมดพร้อมหมดแล้วคนที่เป็นกัญญาณมิตรจริงจริเนี่ก็พร้อมหมดเขาไม่ต้องพึ่งเรา ไม่ต้องเพิ่งเราแล้วไปเดียวได้จริงๆเพราะเขามีพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าคนที่เป็นครัอาจารย์จริงๆเนี่ยเขาแน่นแล้วครับจริงๆแล้วมันนั่งทนอยู่ทําไมเหวังอะไรหวังเงินหร่อหวังว่าอภิกาละหวังชื่อหวังสินเอามาทําไมเรื่องตรงนี้องเงี้ยเขาจะเห็นขาดหมดเลยนะครับเห็นเห็นขาดหมดเลยมันไม่มีประโยชน์อะไรกัเขาจริงมองเ อ, อื้อนดูครอบมันด้วยอ้เจ้านี่ก็ไม่รู้เรื่องอะ เห็นเรื่องอื่นสำคัญหมดเลยครับเอ็เรื่องที่จะขวนขวายเฮ้ยเฮ้ยเราเราจะพ้นทุกข์ได้โดยอาการอย่างนี้เราจะรู้ข้อมูลได้ด้วยาการมันมันมันถึงบอกว่าเออทาไมในยุคหลังนะครับในยุคหลังพุทธปรินิพานไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นครูอาจารย์ที่ก็เป็นระดับพระอริยะพระอาหารหาย์ทั้งหลายเป็นกัญญาตกิริยานเป็นกิริยาในวิธีทั้งหลายเขามองคนคนมันเริ่ม กิเลสลุ่มเล้าเต็มไปหมดใช่ไหมครับเวลาเขาจะรับคนมาเป็นศิษย์เขามองเลยครับเขาาอ่านขาดหมดเลยครับเพราะเขารู้ราคาจริตโทสะจริตโมหจริตวิตกจริตพุทธิจริตสัตยาจริตเขาอ่านขาดหมดตนาจริตทิฏฐิจริตเขาอ่านคนคนนี้กิเลสหนากิเลสปันการกิเลสละเอียดคนคนนี้กรตันยูกระเตวทีเขาดูเลยนะเขาดูดูดูปุเขาพิสูจน์เลยครับ ถ้าไม่นั่นก็เดินหนีเขาจะไม่เสียเวลาตั้งหาเพราะว่าจริงๆเขาไม่ใช่บําเพ็ญบา ร, รมีมาเพราเป็นพุทธเจ้านี่บรรดาครุกจะหลังจากพุทธยาธพณิทิพผานไปแล้วเขาเป็นระดับสาวกทั้งนั้นใช่ไหมครับเขาจะเลือกเฟ้นสําหรับคนที่ไม่ทําให้เขาลําบากมากจนเกินไปเพราะยังไงก็ลําบากถ้าจะรับคนทักคนหนมาอยู่ด้วยใช่กับโคตรเนะืหรือจะไปเกี่ยวข้องกับใครเนี่ยถ้าไปเกี่ยวข้องกับค น, คนที่ มีคุณธรรมในใจนิดอย่างเงี้ยมีวิชานิดหนึง่งจานะน้อยบางคนจานะแทบหาไม่ได้ศีลหรือกลุ่มสมาธิทั้งหลายเนี้ยกลุ่มพวกศีลเนี้ยว่าจะเจตนาศีลจะได้สิส่งศีลโอ้เดินไม่ได้เลยกลุ่มสมาธิทุกระดับในการยืนเดินนั่งนอนทั้งหลายหลุดลุยตลอดคนบางคนเ น, นี้ยวิ ช, ชาไม่ต้องพูดถึงอคนเนี้ย คุณต้องมาปูใหม่ไหมทำยังไงวะเนี่ยบอกปรับเรื่องนุ้นเรื่องนี้หลุดเรื่องนั้นเอาหลุดอีกแล้วบอกมันหลุดตลอดนะครับสมัยก่อนผมผมไม่อยากคุยกับคนเลยนะผมเห็นมันหลุดผมไปเห็นรายละเอียดคนเยอะจัดผมอาศัยหลบมาแต่ผมไปสอนเฉพาะในชั้นสอนเสร็จก็ปิดประตูหนีปิดประตูหนีผมอึอดอัด ขัดคลับข้องเนะื้ยลมหาที่ไปไม่ได้อันนี้เล่าเรื่องในใจขนาดนั้นเลยนะแค่เวลามันมันต้องคนที่อยเป็นแปลงต้ทนคนง่ายเยอะวัจนัขมโมเรื่องทนต่อพฤติกรรมของคนทําไมต้องทนเวลากิเลสขึ้นกับเขาเขาไม่รู้ตัวกิเลสผักดันออกมาเขาก็โชยความเหม็นออกมาตลอดเป็นระยะระยะ เขาไม่เคยยับยั้งกิเลสได้ใจก็ไม่เป็นกุศลมันฟุ้งซ่านตลอดใช่ไหมศรัทธ า, าก็ตั้งได้ไม่นานความเพียรก็ตั้งได้ไม่นานสติก็ตั้งได้ไม่นานสมาธิเขาตั้งได้ไม่นานโดยเฉพาะปัญญาเลยแล้วตั้งได้อยู่ไม่นานท่า น, นจะอยู่ยังไงนะ่ะอยู่คนแบบนี้ใจเขาเขไปทัสีเสียงกิดรถอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนี่อยู่ยังไงก็ต้องยอมรับยอมรับค่อยๆบอกบอกไม่มันก็แบงเนาะใช่ไหมบอกปุ๊บ เพ็นเออไปทําตรงนั้นนะมันเครื่องเราแล้วเออไอ้นี้บาปอีกแล้เนี่ยแล้วก็รู้นะไอ้นี้บาปอีกแล้วเออไม่รู้เลยเลยเนี่ยก็นั่งที่มันก็ะพามตึ้องทนนี่เป็นอย่างนีน้การวจนะกะวงคัมภีรัญจากกระถังกตาเนี่ยหมายความว่าสามารถกล่าวคําสอนที่ลึกด้นะระดับปฏิ จ, จะอริยสัต์ขันนะยตนาะ ถ้าสัจจะอินทรีย์ปฏิจจานเนี่ยเจาะให้เห็นได้ตามลําดับแล้วพูดให้เขาเข้าใจได้เก่าอัดที่ลึกได้เพราะที่มันสําคัญที่สุดก็คือมันลงลึกไม่ได้แนวราบเนี่ยมันหาไม่ยากแล้วครับไอแนวดิ่งเนี่ยแนวดิ่งเนี่ยมันไม่ได้ระดับศีลอา้าวระดับศีลวิสุทธิระดับจิตวิสุทธิระดับทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิจารณวิสุทธิมขามขายาณทัทสนวิสุทธิปฏิบทยานาัทสนะแล้วก็ยานัทสนโลกุตระานวิสุทธิพรลึกลงไปมันไปไม่ได้กันสถีมันก็ติดกันอยู่นนยแค่นี้แค่จิตเตาวิสุทธิก็เริ่มไปไม่เป็นกันแล้วไม่ต้องพูดเรื่องทิฏฐิวิสุทธินะเนี่ยแนวแนวเนี่ ย, ยมันสามารถกล่าวได้บอกได้มันไม่ใช่แค่กล่าวตามตำราบอกได้ด้วย ใเขาทำอย่างนี้าทำอย่างนี้เขาทำอย่างนี้ขั้นระดับนี้ทําอย่างนี้ระดับนี้ทําอย่างนี้แก้ปัญหาอย่างนี้บอกได้ทุกแง่มุมอย่างเงี้ยระดับอย่างเงี้ยมันหายากแล้วกล่าวอัดทิลึกได้คำภีรันทะรังจากกระถังกระถังกัตตาคือกล่าวกัตตากระถังกัตตานี่คือกล่าวคถาใช้คําพูดในคําสอนดึงคําสอนของพระเจ้าในเชิงลึกได้ละเอียดได้ ที่มันเป็นปมเป็นแง่เป็นปมในรายละเอียดได้ไอ้ตรงนี้แล้วก็ดึงเราออกจากทางเสื่อมเข้าหาทางเจริญได้ดึงเราออกมาได้แล้วก็พาเราดำเนินไปสู่ทางที่เจริญลุ่มหนึ่งได้ได้จริงๆถ้าท่านเจอครบเจ็ดประการนี้ท่านท่านีบขวนขวายท่านลิบขวนขวายกระยาณมิต แล้วก็ถ้าถ้าหลุดไปเมื่อไหร่ท่านจะท่านจะมันไม่ใช่ง่ายง่ายมันต้องมีบุญจริงๆเลยนะที่เจอเจอมนุษย์ปัจจุบันนี้พันที่เป็นที่ปรึกษาหรือกัญยะาณมิตรระดับอย่างนี้ที่ที่เรามาเจอคำสอนพระเจ้ามันไม่ธรรมดานะครับแต่เรามันไม่ตื่นเต้นกับคำว่าพุท ธ, ธะหือสัมมาสัมพุท ธ, ธะท่านสังเกตดูนะ สัมมาสัมพุท ธ, ธาเนี่ยประสูตดแผ่นดินสะเทือนสะทานหวัน่นไหวใช่ไหมครับยัานน้ําลองแผ่นดินนู่นตัสรู้ว่าสะเทือนสะทา น, านหวัน่นไหวหมุนกลงลอง้ออีกธรรมจักสะเทือนสะทานหวัน่นไหวนี่ขนาดนั้นนะครับหรือแสดงทำแสดงยมภกัะปาฏิหารเป็นต้นโอ้โหแะกระปริธิพานนี่แล้วแล้วเราไปอยู่ตรงไห น, น เนี่ยไม่ตื่นเต้นเลยผมฟังไม่เห็นตื่นเต้นมีจริงหรือจริงหรือไปเรื่องเลยไปคนละเรื่องเลยแต่เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นพูดถึงในเรื่องของตัวเมื่อได้ตัวสมาธิแล้วก็ได้ศรัทธาไอ้ศรัทธาเนี่ยจะทําให้ได้สมาธิได้เร็วความเชื่อมั่นในอาณาปานสติสมาธิเชื่อมั่นในสมาธิศิกขาทั้งหมดเชื่อมั่นในกรรมฐานสี่สิบ ถ้เชื่อมั่นในปฏิโมกสังวรศีลอินรีสังวรศีลอาชวะปริสุทธิศีลปัจจยาสันนิสิติตาศีนัะนเชื่อมั่นลงนะพอเชื่อมั่นปุ๊บฝึกให้ถึงเนี่ไอ้ตรงนี้สําคัญที่สุดเลยเชื่อมั่นในสมาธิศิกขามันฝึกสมาธิเชื่อมั่นในปัญญาศิกขาก็จะฝึกให้ได้ปัญญาประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับที่มันไม่ได้พราะมันไม่เชื่อมันมขาดศรัทธาเพราะศรัทธาเป็นลักษณะที่ว่า มันผ่องใสผ่องใสแล้วแล่นไปใช่ไหมแล่นน่ยแล่นมันแล่นออกนะครับออกจากนิวรณ์เนะออกจากกิเลสกิเลสมันดึงมันไม่อยู่นะครับคนที่มีศรัทธามันพาขันธพาละกระแสะของนาำมาทำแล่นก็ไปหาศีลแล่นไปหาสมาธิแล่นไปหาปัญญาเออศรัทธาจริงๆมันเป็นแบบนี้ถ้าอยู่กับทานศีลภาวนาปอมๆมันก็เมื่อไปศรัทธาในทานศีลภาวนาปอมๆมันไปอีกอย่างเลยนะครับ มันออกไม่ได้ศรัทธาอย่างนั้นมันออกจากอสัตถิยะความไม่มีศรัทธาไม่ได้วิญญาณแบบนั้นมันออกจากโกสศชาอกุศไม่ได้สติแบบนั้นมันออกจากมุตัสติคือการหลงลืมไม่ได้เลือเเ่อนเปลือนปนเฟื่องเลือนหลงไม่ได้สมาธิอย่างนั้นมันออกจากความฟุง้งซ่านไม่ได้ปัญญาแบบนั้นมันออกจากสัมโมหะคือความมืดบอดไม่ได้ไอ้นี่หมายถึงต้องออกได้จริงๆมันจริงเรียกว่าศรัทธาใช่ไหมครับศรัทธาก็ไปวัดที่ไหนโสตาปรียังคะทำนั่น ไปวัดตรงนู้นแล้วว่าศรัทธานต้องแต่อบอกมีศรัทธาก็ต้องไปดูศรัทธาศีล ส, สุตะจาค้ปัญญาเออนี่เรียกว่าีศรัทธาเิงวิริยะก็ไปดูในส ม, มประทานสีสติก็ไปดูในชำนาญในสติมมปัฏฐานสีสมาธิก็ไปดูในฌานทั้งสีปัญญาก็ต้องอริยสัจ ส, สีเห็นอะไรไม่เห็นลงทุกขสมุทยัยรอดมรรคได้เลยเนี่ยมันปัญหาเป็นอย่างนี้นะ เวลาคนที่ประชมอะไรได้ปุ๊บเนี่ยมันมองอะไรขาดแล้วมันเห็นแล้วมันเข้าใจอะไรชัดนี้นะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นพอยากไหมหลวงน้ายากไหมครับฟังยากไหมเนี่ยไม่ยากเนี่ยมันมันจริงๆรเนี่ยมันไม่ยากหรอกเพราะคําพูดของพุทธเจ้าจะตรงไปตรงมา มันเยตอตรงที่เราคดมาสนานเรางอมาสนานความรู้ความเห็นหมายความว่าการเห็นที่กล่าวว่ามีการเห็นเป็นพิเศษในอารมณ์ต่างๆที่มาปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ในขณะแรกๆล้วนแต่เป็นปรมัติ อันได้แก่รูปนามทั้งสิ้นแต่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่รู้และก็ไม่เห็นในความเป็นไปของอารมณ์เหล่านี้ว่าเป็นได้แค่รูปแค่นามไม่ได้เห็นอย่างนั้นจริงๆ ร, รู้เห็นที่มันเป็นไปฝ่ายปัญญัติอย่างเดียวพอรอพอเห็นรูปอารมณ์ด้วยตาปุ๊บก็รู้ว่าตนได้เห็นสิ่งนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ จิตที่ไม่ใสเนี่ยมันเป็นปัญหาจริงๆเวลาทําไมพุทธิยถาสแสดงทานนักถาศีลกถาสักคาถาก า, า, า, า, ามาทีนว่าคถาเนคข ม, มันนะสัเพราะได้ตรงนี้ไปเสร็จจึงมาพูดเรื่องทุกข์จึงมาพูดเรื่องรูปนามขันห้าจึงมารูปเรื่องรูปเวทนาสัญญาหรือพุธสังขารพิจารจึงรูปเรื่องกระแสชีวิตถ้ามาคุยตอนที่จิตยังหยาบๆที่ไม่ใสไม่สะอาดไม่เข้าใจ เนี่ยทำไมต้องพูดแล้วพูดอีกมันพูดไปไม่ได้เข็นไม่ขึ้นจริงๆเข็นยังไงก็ไม่ขึ้นพูดพูดพูดไปแล้วมันกลายไปแต่คนพูดได้ไอ้คนฟังตามไม่ได้จิตมันหยาบมันเหมือนหมดแรงนะครับเดินเดินเดินเหมือนเหมือนเราจะจูงเด็กเดินขึ้นเขาก็เราไอ้นี้หมดแรง แ, แล้วต้องฝึกให้เด็กเป็นผู้ใหญ่จนเข้มแข็งตอนเนี้ย พาเดินขึ้นเขาได้อันนี้มันการเวลาจะลากไปสู่ความเป็นรูปนามไปไม่ได้เพราะจิตมันเศร้าหมองจิตมันสกปกจิตมันไม่สะอาดพอไปชี้เรื่องรูปนามขันห้าไปไม่ได้เลยครับมันติดแค่บัญญัติติดแค่สัตว์บุคคลอัตตาตัวตนเพราะมันโอ้โหถูกพันธนาการหนาเน่น หมดแรงเลยครับเพราะจะอธิบายแล้วอธิบายอีกลําหงุดหงิดขึ้นมาอีกซะแล้วเนี่ยไปไม่ได้เห็นนี่ยังไปไม่ได้ไไไดจะไปยังไงนี่คือปัญหามันเลยเป็นบัญญัติเลยความเมื่อถ้าได้ลักษณะที่เห็นด้วยความเป็นรูปนามแล้วต่อไปก็คือเห็นด้วยความเป็นไตรลักมันตามมาอย่างนี้เป็นต้นที่ได้กล่าวไปแล้วนะตรงเนี้ยนะ เห็นด้วยความเป็นไตรลักษณ์ทีนี้ความรู้เนี่ยความรู้สึกในที่มาปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยความเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นอกุศลก็มีเป็นกุศล ก, ก็มีนะเป็นญาณณสัมยุญย์ก็มีเป็นญาณวิปยุท์ก็มีนะแต่กุศลญาณณสัมยุญยศ น, นี้บางที เป็นกุศลญยานะสัมปยุตก็มีนะแต่พึงกล่าวว่ากุศลญยานะสัมปยุตไม่ใช่จะเป็นวิปัสนาอย่างเดียวเป็นไปกับเรื่องบัญญัติก็มีต้องเข้าใจด้วยนะไอตัวปัญญาเจตสิกที่ประกอบในมหากุศลญยานะสัมปยุตเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วต้องเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเสมอไปบางทีก็เห็นด้วยความเป็น บัญญัติเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็มีต้องเข้าใจอย่างนั้นด้วยไม่ใช่ไม่มีเป็นสามัญทั่วไปก็มีเพราะว่าการที่กุศลญยาณสัมยตที่ประกอบด้วยปรสนานั้นมเมื่อได้รับอารมณ์ต่างๆแล้วมีความรู้สึกได้ทันทีว่าเห็นความดับไปและเกิดขึ้นมาใหม่ติดต่อกันอย่างไม่ขาดสาย เห็นด้วยความเป็นของม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสุภาพะความเห็นอย่างนี้แหละก็เรียกเห็นพิเศษมันพิเศษจากนิจจะว่าเที่ยงสุขะคือเป็นสุขอัตะคือตัวตนสุภาะคืองามซึ่งมันเป็นประจำธรรมดาของหมู่สัตว์ที่เขาเห็นกันอย่างนี้อยู่แล้วหมู่สัตว์ก็เห็นกันอย่างนี้แหละครับเห็นก็โอ้งามนะเที่ยงเห็นว่าดีสุขเห็นว่าเป็นอนตาตัวตน ทั้งๆ ท, ที่เป็นกุศลอาณสัมยุตย์ก็ได้เออเราไปให้ทานเข้าใจเรื่องทานก็้าใจเรื่องศีเนี่ยแต่เพราะไม่ได้รับการฝึกขัดขัดเกาจนจิตที่เป็นสะอาดแล้วได้ข้อมูลอย่างดีแล้วมีเกจกจํานงมีโยนิสโสมนสัสการที่จะไปวิจัยแยกแยะมันนึงจะเป็นวิปัสสนาญาณขึ้นมานะครับไม่ใช่มันอยู่ๆมันมันเป็นได้โดยยกเว้นมีอัธยาศัย แรงก้านิวร จ, จนาตาที่สองคือวิเนี่ยประการต่างๆเนี่ยได้แก่อา น, นิจจังทุกขังนาตาสุภาพศาสนามหมายถึงการเห็นแจ้งการเห็นแจ้งโดยปฏิการต่างๆด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตต า, าสุภาพบรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้มีความเข้าใจว่าขันห้ากายกับใจนี่ตั้การเสวยรมความจําทั้งหลายเหล่านี้การรู้อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เป็น ของเที่ยงสุขมองอย่างนี้ว่าเราเห็นว่ากายกับใจเนี่ยมันเที่ยงสุขมันเป็นอัตราตัวตนเราเห็นว่าการอารมการปรุงแต่งอารมณ์การรู้อารมเนี่ยนะว่ามันเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตราตัว ต, วตนแล้วก็อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาได้บังคับได้คอนโทรลได้แล้วเห็นว่าสวยงาม มันเป็นความเห็นความเข้าใจในฝ่ายของวิปลาสทั้งนั้นวิปลาสเป็นอกุศลบ้างเป็นกุศลยานสัมปยุทธ์บ้างเป็นต้นเหล่านี้เป็นญาณวิประยุทธ์บ้างมันมันเป็นอัธยาสัยของหมูสัตว์นะที่เราเห็นด้วยความวิปลาสเห็นวิปลาสในของที่มันไม่เที่ยงวิปลาสในของที่มันเป็นทุกข์เป็นสุขวิปลาสในของที่มันเป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตา ประราชว่าของไม่งามว่างามมันเป็นอัธยาศัยของหมูสัตว์ที่มันเป็นไปอย่างนี้จริงๆจะต้องเข้าใจตรงอย่างนี้ก่อนมันไม่ใช่วิปัสนาปัญญาแต่ประการใดส่วนกุศลอาณสมัมปยศที่ประกอบด้วยวิปัสนานั้นเนี่ยมันจะเห็นแจ้งในขันห้าด้วยความเป็นอนิจจังทุกครั้งหน้าตาสุภะดังนั้นเนี่ยการเห็นในลักษณะอย่างเนี้มันจึงจะเป็นวิปัสนา นี่เราก็มาสังเกตในชีวิตของเราจริงๆดูสิมันวิปลาดไหมล่ะถ้าเราไปบอกว่าไอ้นี้วิปลาดไอ้นี้วิป ร, ริตเขาด่าเราเลยเนะจริงๆมันวิปลาดนั่นแหละเพราะมันเห็นคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแล้วมันติดสมมติอย่างหนาแน่นมันมีสักกายทิิฐิฝังอยู่เป็นชิพฝังอยู่ในกระแสะชีวิตใ น, ในสัก สักกายทิฏฐิเนี่ยโอ้โหมันเลยกลายเป็นตัวเรียกความโง่ความไม่รู้เรื่องดึงมาเต็มหมดเลยแล้วก็เป็นตัวดูดเลยครับดูดกรรมไปที่ไหนมันก็ไปเาเรียกว่าอะไรนะอีกตัวถ้ามองกรรมเนี่ยไอตัวสักกายทิฏฐิเนี่ยมันเป็นตัวทำให้กรรมอาุสโตรกรรมมาตามเห็นเนี่ย แล้วมันเป็นตัวดูดกิเลสไปด้วยใช่ไหมสมมตินะการในดูภาพยนตร์ที่มันจับจับมนุษย์คนหนึ่งไปปุ๊บแล้วมันก็ฝังชิปเข้าไปในสมองแล้วก็ปล่อยไปแล้วมันก็มีเครื่องไปอยู่ที่ไหนมันหาเจอมานเว้นในเป็นหลบในที่มืดที่สัญญาณตาไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ทันจริงๆมันมีใช่ไหมสัญญาณมองไม่เห็นทั้งยัโผล่มาเนะย มันทีมันไปหลบอยู่ตรงไหนรู้ไหยมันไปหลบอยู่นู้นในปฐมฌานภูมิทุติยฌานภูมิมันหลบในที่มืดได้มันก็ตามสแกนไม่เจอที่อบปาตาสแกนไม่เจอคมันเลยให้ผลไม่ได้เยนะเพรารูบบมันไปอยู่จนหมดอายุไขพอพวดมาเดี๋ยวมตามเห็นนี่เฮมันสแกนเจอมันให้ผลนี่ตามไม่ผลนี่ก็แล้วเพราะอิชิปคืออิักิรยที่ถี่มันไม่ถูกถอดด้วยคีมคืออริยมรร ต้อเช็ครีมระดับอริยมรรคปิโสดาปิมากนี้จะถอดชิปนี้ออกจากสมองได้งั้นออกจากกระแสชีวิตได้เข้าใจไหมเล่าไปหลบที่ไหนก็มันสแกนเจอถ้าในกางปรภูมิอย่าหลบนะมันให้ผลตึงตงตงต้งเลยรูปประภูมิพอไหวอารูปประภูมิพอไหวแต่อย่าโผลมาอีกนะโผล่ ม, มาเมื่ไรไม่เห็นแวะมันสแกนเจ อ, อแล้วมันก็ยิงตุ้มตุ้มตุ้ม แขนขาดขาขาดตาบอดหูหนวกโง่เง่าอะไรไม่รู้บ้าไปดหนวกพิการซ้ำซ้อนยากจนลำบากโดนกระทํโดนยิงโอ้โหสวยเลยวะง น, น, นี่ยังไงเอศกยธิ ท, ทิมันหลบไม่ได้อยโผล่โผล่แวบมาที่ไหนไป ขนาดบินอยู่บนากาศตัดคอขาดไปเลยขนาดนั้นโอ้กรรมเนี่ยง้ในเทวพรมเนี่ยโอ้ยเล่นเพลินๆอยู่ดีๆลงอเวจีนู่นเหเห็นไหมลูกศิษย์ของสุพรมเทพประุษต้าร้อยพันนึงอ่ะอีกคนนึงอยู่ข้างบนกลุ่มห้าร้อยอยู่ข้างล่างห้าร้อยอยู่ข้างบนเล่นเล่นเล่นกำลังเพลินเพินเินบ่กกิเลสเกิดเนี่ย บาปในอกุศลมันให้ผลเลยด้วยนะีกรรมเกี่ยวกันในเรื่องของที่จะลงอเวจีอ่ะมันตามมาตัดรอนเลยครับแล้วก็กระชากกระแสชีวิตลงสู่อเวจีห้าร้อยชีวิตสุพรมเทพบุตรฮึบหายไปไหนเอามีบุญหน่อยเห็นอยู่อเวจีแล้วเอาแล้วเราอ่ะเฮ้ยเหงื่อออกแล้วว่าอีกเจดวันเศร้าหมองผิวพันธ์เศ้าหมองวิมานเศร้าหมองเหงื่อออกรักแล้วเอา กำหนดมนเหมือนคนมีบุญรู้ว่าตายจะไปไหนจะลองเอเวจีโอโหวิ่งหาที่พึ่งแล้วนี่ไงนี่ไงเพราะมีไอสักยาทิฐิบาปมันตามให้ผลถ้าไปได้ในรูปประภูมิมันได้แค่ชาติเดียวอย่าหลุดออกมาจากรูปประภูมินะครับโดนยิงหายท้องหมด น, นะครับ มันมันมันโอ้โหบาปรกรรมเนี่ยมันสแกนดักหน้าดักหลังนี่ยิ่งเป็นมนุษย์ด้วยแล้วไม่ต้องพูดถึงคนตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยประมาทกันทั้งนั้นเนีย่ยจับมานั่งคุยประมาททั้งนั้นแหละครับสติอ่อนแอขนาดนี้ไม่ประมาทได้ยังไงสําคัญว่าจะไม่ตายกันอย่งนั้นยั่งยั่งอยู่ยัย่ ง, ย ง, ยงอยู่ยั ง, ยยงมีงานอะไรเยอะเย่างนั้นเลย เคยคิดไหมว่าออกจากบ้านมาโอกาสเข้ากลับบ้านไม่มีเดินออกจากตรงนี้โอกาสจะกลับมาตรงนี้ไม่มีขนาดหายใจเข้าออหายใจออกอาจไม่มีมันเห็นขนาดนั้นจริงๆไหมถ้าสติมันแข็งแรงจริงจริงโอเคจับมือเลยคนนี้ยโอเคคุณชัดคนคนนี้ชัดแต่ได้กี่ขนาดได้กี่ชาวนะไอความเข้าใจแบบนี้ได้กี่ชาวนะครับ มันมันไม่ได้จริงๆตรงนี้มันต้องมันต้องปัญญาดีจริงๆครับใจใสจริงๆครับใจมันผ่องใสจริงๆสะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วจริงๆมันถึงจะเห็นความจริงของชีวิตไม่เห็นความจริงของชีวิตมันอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้พบนี้อยู่ไม่ได้การมาภูมิรูปภูมิอรูปภูมิในวัฏฏะพรบอยู่ขันนียไว้ใจไม่ได้ ไม่ใช่ที่พึ่งไม่ได้มีสารลากของความงามเป็นต้นเนี่ยมันเห็นอย่างนี้ไหมถ้าเห็นเย่างี้ใช่ไอ้นี่วิปัสสนาญาณมันเกิดแบบนี้นะครับถ้าคำว่าวิปัสสนาญาณมันเกิดอย่างนี้มันเข้าใจแบบนี้มันสะดุ้งสะเทือนแบบนี้มันไม่มันมีจิตมุ่งมั่นอย่างนี้มันไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วก็เห็นทางรอดมันเห็นทางรอดเห็นทางปลอดภัยไหมสังเกตดูว่าเอ สุมเมธาดาบทท่านบอกเลยเนะ่ท่านบอกบอกว่าสระนะมีอยู่เราตกในหลุมคูดเปื้อนอุจราปรปัสวะการไม่ไปกระเสือกกระสนไปหาสระเพื่ออาบหรือชำระมันสะอาดมันไม่ใช่ความผิดของสะมันความผิดขอ ง, องเองโง่นี้คนโง่นี้ไม่ไป หมอเนี่ยมีอยู่ที่ชานฉลาดมีอยู่ไม่กเกษียรอกษสนเป็นรักษาเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของหมอมันความผิดของไอ้คนไข้เราเนี่ยถูกชาติภัยชาลาภัพยพยาธิภัยมรณะภัยเป็นต้นอเนี้ยกิเลสภัยทั้งหลายมันลุมเราป่วยทั้งกายป่วยทั้งจิตป่วยขนาดหนักโคม่าแล้วอะ ไม่กระเสือกสวนไปหาหมอไม่ความผิดของหมอคนที่เขาเห็นอย่างนี้นี่นี่ น, น, นีขนาดอีกเสียสงไขยท่านเห็นแบบนี้แล้วท่านจะต้องเดินอีกเสียสงไขยนะครับท่านต้องเห็นแบบนี้รักษาสภาพปรรยายาัญญาญาณความรู้ความเข้าใจฝังในขันทศนานนะครับ <c oughs> องอาจเ ก, กล้ากล้าท้าปะเะชิญกับอกุศลที่จะให้ผล โดยไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านนี่ต้องเข้าใจขันห้าอย่างดีนะคนที่จะบกบเพ็ญบารมีนะครับต้องเ ข, เข้าใจอย่างดีเลยนะไม่ไม่กังวลต้องขนาดนั้นนี่ น, นี่นี่คือพระพุทธเจ้าซึ่งซึ่งใครเราจะเข้าใจใช่ไครับคนที่คนที่มีใจแบบนี้ คนใจมดอย่างเราๆทั้งหลายไปเข้าใจพยาลาัชสีไม่ได้เข้าใจไม่ได้มันคิดอย่างมดมันคิดอย่างปวกมันคิดอย่างหนอนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็ต้องเปรียบเทียบรักษาจะได้เห็นโอ้จริงด้วยเว้ยทําไมเราไม่ตื่นเต้นในการตัดสู่ของพระเจ้าไม่ตื่นเต้นของการอุบัติไม่ตื่นเต้นของการยึดฟังธรรม มไม่ตื่นเต้นเลยไม่เล้าใจไม่อะไรเลยเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้ครับตัวตัวปัญญาเวลาเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยตัววิปัสสนาญาณเวลาเกิดขึ้นจริงๆหรือคนที่มีอัตยาสัยที่จะเดินปัญญ า, ามันเห็นมันเห็นในชีวิตจริงๆงมันเห็นอย่างนี้เห็นแล้วแล้วก็สงบละงับมั่นคงและตั้งมั่นแล้วก็มีจุดหมายชายัดแล้วก็ พัฒนาศีล ส, สมาธิปัญญาต่อเนื่องไม่หวั่นไหวอะไรเลยใหม่ๆ ม, มันวิ่งน้นวิ่งนี้ไนอะ้ที่มันเห็นใหม่ๆนะครับวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งหนะักนหะเข้ามันสงบแล้วมันสงบแล้วมาสงบมาฝึกครับฝึกฝึกตนเองติดต่อและต่อเนื่องฝึกตัวเองติดต่อและต่อเนื่องเลยนะพอรู้ใช่ไหม รู้ว่ามันไม่พอมันยังไม่พอก็ฝึกตนเองคือคือสายตาบ่งบอกว่าไม่เคยมีคําว่าท้อเลยครับไม่เคยมีคําว่าท้อเลยเนะ้คนที่ปรารถนาพ้นทุกข์ไม่มีเลยเนะมุ่งมั่นมากมุ่งมั่นมากเหมือน เหมือนคนที่บอกว่าเดินวิปัสสนาญาณได้สูงๆนะครับเขาบอกว่ามันยังยังไปไม่ได้ยังไปไม่ถึงยังมองฝั่งไม่เจอแต่แต่ไม่เคยทอ้อเขาเหมือนอี ก, กาเลยมันเรือเรือจอดอยู่ในกลางหมหาสมุทรนะครับมีเสารกระดงเรืออยู่พุ๊บอี ก, กามันจับอยู่บนหลักแต่มันจะบินหาฝั่ง ไอคนบนเรือมันงงมันนึจะไปทางไหนแล้วมันไม่มีไม่มีเข็มทิศสมัยโบราณเขาใช้อี ก, กาครับอี ก, กามันก็จับเขาปล่อยกาบินปุ๊บปุบ๊กามันก็มองมองมองแล้วมันบินไปทิศนี้แล้วทิศเหนือบินตึงต้งๆๆๆงตึงต้ ง, ง, ง, งาคอยดูหายวับไปแล้วหลายชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงบินกลับแปลว่ามันหาฝั่งไม่เจอ มันก็มากินอาหารให้มันกินจนแข็งแรงโว้นบินมันเกือบตายเนี่ยแต่กับตกทะเลตายเนี่ยแต่มันคำนวณคำนวณปัญญาอาคานวณกําลังมันได้ใช่ไหมครับอพอมันแข็งแรงบินในนวลสักพักหนึ่งมันมันจําไว้แล้วทิศนี้ไม่ใช่แล้วไปทิศใต้บินอีกเล ย, ดยเดี๋ยนี้ฉลาดบินปึ๊บบินไปเกือบเกือบบินเนี่ยปกลับมาอีกแล้วไม่ใช่อีก เอกนี่ว่าโอ้ไม่ใช่เว้ยมันทำอยู่อย่างเงี้ยต่อมาทิที่ตะ ว, วันออกทิศตที่ตะวันออกทิ่ตะวันออกมันบินแล้วก็หายไปเลยครับเล้วกำหนดทิศถูกแล้วเฮ้ยนี่ล้วฝั่งไป ไ, ไหมคือนิพพานเนี่ยยังไม่ได้สัมผสัส คือบอกว่าคนที่ได้กำลังวิปัสนาญาณที่แข็งแรงแล้วมันเหน็นไปทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่แต่มันเห็นทางนี้แล้วตอนเนี้ยใช่แน่นอนแล้วมันจะไม่ไม่ย้อนไปทางอื่นเลยตอนเนี้ยงี้ยวิปัสนาญาณเนี่ยเวลามันเห็นโลภนามขันห้ามันโคตรเบื่อนะทั้งภายในภายนอกทั้งอะไรทั้งหลายเนะี่ยแต่มันยังออกไม่ได้ แต่เขาไม่เพรรอแล้วเขาก็พัฒนาศีล ส, สมาธิปัญญาไม่หยุดเขาไม่เคยมีธรรมท้อเลยนะเพราะถ้าขืนอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเนี่ยท้อนี่แหละนนี่แหละเจ็บปวดไอ้ตัวคนที่ได้กำลังวิปัสสนาญาณจริงๆมันยังมีพลังโดยนิสสูงเออมันมันเหมือ น, นเหมือนคนเดินทางคนระับ เวลามันจอดดูนั้นดูนี้มันแป๊บเดียวมันไม่นานหรอกพวกนี้มันไปแล้วมันคำนวณเส้นทางคำนวณอัมันคำนวณอายุมันคำนวณตัวนี้ถ้ายังไม่ถึงไม่หยุดฉะนั้นมันจะกินอาหารจะแวะจะอะไรต่างมันจะไม่แช่อะไรนานพวกกลุ่มพวกนี้คนที่ได้กำลังของวิปัสสนาญาณเหมือนกันรู้เลยว่ามันพักอยู่นานไม่ได้ แม้จะพักอยู่ในสมาธิก็นานไม่ได้ภารกิจมันยังไม่จบเอามาเป็นฐานเท่านั้นแหละครับศีลหรือสมาธิทุกๆระดับเอามาเป็นฐานเพื่อจะทำวิปัสสนาญาณให้เจาะทะลุทะลวงเพื่อทำกิเลสให้หมดให้ได้กิเลสหมดเวลาใดนั่นแหละเขาถึงจะปลอดภัยถึงจะโปร่งเขาชำะระดวงเขาเองตลอดถ้ากิเลสเนี่ย ที่มันเป็นอุปสรรคภายในเพชฌฆาตภายในศัตรูภายในเนี่ยฆ่าศึกภายในยังไม่มอดยังไม่หม ด, มหมดเขาไว้ใจไม่ได้เลยเขาไม่เคยไว้ใจกิเลเลยไม่เคยไม่เค ย, ยไว้ใจมันเลยเดินไปกับศัตรูเดินไปกับศัตรูเ น, นี่ยคิดว่ามันจะไม่ป้นไม่ฆ่าเราหรือ มันป้นมันฆ่าแน่ดังนั้นถ้าไปกับขันทภาระเนี่ยไม่มีทางปลอดภัยไม่มีทางปลอดภัยเลยดงั้นเส้นทางที่เราเดินไปที่มีขันธภาระเนี่ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันเห็นอย่างงี้วิปัสนาญาณเห็นแบบนี้มันเห็นแบบนี้มันไม่เคยมีความปลอดภัยเลยนะส่องกระจกมองหน้าอาบน้นะําเนี่ยมึงกูไม่ปลอดภัยหรอกกูเย็นใจกับมึงไม่ได้ ทุกจุดของอวัยวะเป็นที่ตั้งของโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรหมดเวทนาก็เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรสัญญาสังขารมีการก็เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความลําบากเขาียนอย่างนี้ครับไอโดยปัศนายันจริงมันเห็นแบบนี้แล้วมันเข็นแล้วมันเสะเทือนสะทานแบบนี้จริงๆแล้วเวลามันไปดูแลไปประคับประงมไปให้อาหารไปอะไรต่างๆมันจึงให้ด้วยความเข้าใจ ด้วยความเข้าใจและไม่เป็นธาตุมันแล้วทานฉลาดที่จะเอามันเป็นเป็นฐานในการที่จะเอาประโยชน์จากมันให้ได้เพราะมันมีคุณทั้งคุณทั้งโทษคุณมันนิดเดียวแต่โทษมันมากแต่อาสัยโทษอาศัยคุณของมันที่ยังพอมีอยู่นี่แหละเล่งขวขวายกว่าที่มันจะเล่นงานเราเหมือนนั่นเดินไปกับไอ้นิจโจนะครับ หระมัดระวังแม่มันป้นแม่มันฆ่าสองอาศัยมันรู้จักมันทุกแง่ทุกมุมเลยอาศัยมันนั่นแหละแต่อยู่อย่างระมัดระวังเลยนะครับอยู่อย่างระมัดระวังเลยนี่ท่านจะป้องกันตัวเองอยังไงท่านนอนกับโจรเนี่ยนอนกับโจรมหาโจรเนี่ยไอ้ขันธ์พารนเป็นมหาโจรเนี่ยกระแสชีวิตมันเป็นมหาโจรเนี่ย แล้วมันเป็นโจรพิเศษเอาค่ามันเียมันตามันไม่ตายจริงใช่ใช้ใช่ไหมไปให้มันจุติมันตายเดี๋ยวปฏิสธที่มันก็มันมันก็มันก็เราก็มึนกลัวจะฝึกฝนปัญญาขึ้นมารู้จักมันตายไปอีกภพหนึ่งตายไปอีกภพหนึ่งไม่รู้เรื่องอีกโดนมันหลอกโดนมันป้นโดนมันกระทำโดนมันเข็นโดนมันมันเป็นแบบนี้ มันเห็นอย่างนี้นะรู้และเข้าใจแล้วก็ยังต้องชาญฉลาดที่จะอยู่กับมัน ก, ก็ในขันธภาละเราก็เป็นมหาโจรแล้วถ้าเรามาอยู่แวดล้อมมีแต่มหาจรเต็มไปหมดท่านลองคิดดูท่านจะคิดยังไงไอ้พวกกรมมหาจรมานั่งประชุมกันอยู่ยงแล้วท่านจะคิดยังไงโอ้โหเดี๋ยวไอ้นั้น ใช่ไหมนอกจากมัป น, นป้นโดยกลับมาป้นเราอีกตอนนี้อู้า ต, อตายฆ่าเราอีกอ้นี่เป็นอย่างนี้คือคนเป็นมะเร็งครับระยะสุดท้ายแล้วมานั่งรวมกันทั้งหมดมานั่งประชุมกันแล้วไม่เคยรู้ว่าตนเองเป็นมะเร็งเลยนะ แล้วท่านรู้ว่ามันคือพวกพวกโรคมะเร็งมันมานั่งลุมกันอยู่เฮท่านจะท่านจะหนึ่งรู้ว่าตนเองเป็นมะเร็งรู้อีกพวกที่มานั่งไงเป็นมะเร็งแต่ไอพวกนั้นมึนหมดเงี่ยท่านไปอยู่ไงท่านคิดไงมันไม่เคยอยากจะรักษาจะอะไรต่างเลยยังสนุกสนานยังคุยสนุกสนานอยู่แล้วท่านรู้อยู่คนเดียวบอกมันมันก็ไม่เชื่อแล้วท่านจะทํำยังไง ไปบอกปุ๊บมันไม่เข้าใจต้องต้องไปฝึกให้มันได้ปัญญาให้มันได้ศรัทธาใด้เลาให้มันเชื่อมัน่นนีเรเลออะไรเนะี้ยเยอะแยะหมดนะเชื่อมัน่นในพระเจ้าเชื่อมัน่นแล้วก็ค่อยๆบอกมันนะต้องไปบอกในเราเลยไม่ค่อยได้รักษาโรคมะเร็งตัวเองก็มะเร็งกำเริบตายโ <laughs> ดนกิเลสเล่นงานตายอีกเข้าใจยังเป็นอย่างนี้โลกไปนี้เป็นแบบนี้ อยากจะช่วยคนอื่น ท, ทําทีทําท่านนั่งยอบ ม, มีปัญหาอะไรอ๋ออย่างงี้นะยอมต้องทําอย่างนี้คนเป็นมะเร็งบอกกดเป็นโรคมะเร็ให้รักษามะเร็งเห็นยังมันวิปัสสนาญาณมันเห็นอย่างนี้มันเห็นความจริงอย่างงี้ไอ้ตัววิปัสสนาญาณ ดันั้นท่านยังแยกวิปัสนาญาณเป็นสาไงหนึ่งสังขารปริคคัหาหน้ากาวิปัสนาคือวิปัสนาญาณที่มีการกําหนดรู้ในสังขารธรรมรูปนามเป็นลมนี้วิปัสนาญาณที่หนึ่งสงพระสมาปติวิปัสนาคือวิปัสนาญาณที่เป็นเหตุให้เข้าพระสมาบัติได้ สามก็คือนิโรธาสมาปฏิวิปัสนาคือวิปัสนาญาณที่เป็นเหตุให้เข้านิโรธาสมาบัติได้วิปัสนาญาณมีสามประเภทเพราะเราต้องเจริญวิปัสนาญาณประเภทแรกไปเจริญวิปัสนาญาณประเภทที่สองที่สามก็แล้วทำไมถึงไม่ได้เพราะอั น, นั้นเป็นของพระอริยะเขา โดยเฉพาะวิปัสนาญาณประเภทที่สามเป็นของพระนาคามีและเขาเป็นของพระอรหันต์ที่ดันที่ท่านได้สมาบัตแ8ดด้วยแตายัางสมาบัตแ8ดไม่ได้ก็อย่าก็อย่าไปเข้าพระสมาปฏิวิปสนาก็เลยฉะนั้นพระสมาปฏิบัตนาเนี่ยเป็นวิปัสนาญาณของพระอรหันต์ที่ได้สมาบัตินะครับถ้าไม่มีสมาบัติ8ดเป็นฐานก็เดินได้ แล้วก็จะเห็นว่าบางคนบอกโอ้โห و, ข้านี้โลทะกันเป็นแถวอยู่ท่านจะว่าไงเนี่ยทุกวันเนี่ยแล้วก็ยังมีคนไปเชื่ออีกอ่ะท่านจะว่าอย่างไงคนนั้นข้านี้โลดกัา น, นี้ข้านี้โลด<อ>เขาเรียภูมิที่นั้นก็แปลว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาญาณ ขันห้าเนี่ยเป็นภูมิของวิปัสนาเป็นาเป็นที่ตั้งที่จะทำให้ปัญญาเข้าไปวิจัยอายตนะเนี่ยธาตุสัจญาอินทรีปฏิจจาตเนี่ยเขาเรียกว่าภูมิของวิปัสนาภูมิก็คือที่ที่ให้ปัญญาเข้าไปวิจัยแยกแยะต้องไปวิจัยแยกแยะเหล่านี้เขาจึงเรียกว่าอารมณ์ภูมิของวิปัสนาวิปัสนาภูมิเาียกทัพสัพเพสนี ก็ท่านอ่านไปทั่วไม่งงได้ไงยังไม่ได้เรียนใช่ไหมเราบางทีก็ไปคำศักดิ์สิทธิ์ของคนบงคนไปเลยนี้เอาต่อในวิปัสสนาสามประการเนี้ยสังขารปลิคันหานากะวิปัสสนานั้นไม่ว่าจะเป็นชนิดมันทะ หรติขาววิปัสสนาก็ตาเ okay. ข้าใจเขามันทะมันทะาแปลว่าอ่อนติดข่าวแปลว่าเร็วแรงปัญญาที่ยังอ่อนๆอยู่กับปัญญาที่รวดเร็วมันทะเนี้ยวิปัสสนาที่ยังอ่อนๆอยู่กับวิปัสสนาที่รวดเร็วเมื่อเข้าถึงความเป็นวุฒฐาน ะ, ะมีวิปัสนา ย่อมเป็นเหตุใกล้ที่จะให้ได้มักทั้งนั้นต่างกันก็เพียงแต่ว่าให้สำเร็จมักช้าหรือมักเร็วเท่านั้นมักในที่นี้ไม่ใช่มักมากนะอริยมักเนะี่ยโอยอริยมักทีนี้ใน ถ้าวิปัสนาญาณเป็นมันทะก็ให้สําเร็จมรรคเข้าถึงอริยมรรคในช้าถ้าเป็นมันทะเนี่ยที่ยังปัญญาที่ไม่รวดเร็วก็ทําให้บรรลุช้าถ้ามรรคนั้นเป็นมันจะมีลักษณะเรียกอย่างนี้มรรคนั้นเรียกว่าทันทาภิญญามรนี่นช้าถ้าวิปัสนาญาณนั้นเป็นติกขะก็ให้สําเร็จเป็นมรรค อริยมรรคที่รวดเร็วก็บรรลุได้เร็วก็เรียกว่าขิปปาพิญญามรรคเขาก็ได้ยินไหมตุคขาปฏิปทาทันธาพิญญาตุกขาปฏิปทาขิปปานนี้นีแล้วก็สุขาาาญญาสขาปฏิปทาทันธาพิญญาสุขขาปฏิปทาขิปปาพิญญาเคยเคยสวดไหมนะเอ้ยเนะี่ยไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะแต่ไม่รู้ใช่ไหมนั่นเนี่ยเห็นไมเนี่ย พกขาปฏิปทาทันทาปิญญาเนี่ยปฏิบัติลำบากรู้ช้าพวกนี้ได้มันดะเขาเรียกว่ามักช้าน่แหละมันดะน่แหละปฏิบัติก็ลำบากบรรลุ ก, ก็ช้ากลุ่มนี้ก็กลุ่มกิเลสหนาจัดถทกิเลสหนาะกิเลส ราคะก็นหนาโทสะก็นหนาโมหะความหลงก็นหนานะีมันเกิดไอ้ความหนาน่ยมันเลยต้องลำบากมากฝ่าฟันฝ่าฟันลำบากปฏิบัติลำบากขวนขวายโดยลำบากมันถูกกิเลสกระชากขวางทำท่ากำหนดหลุดอีกแล้วทำท่าจะนั่นไม่ได้บางทีได้สมาธิหน่อยกิเลสมันล้นเล่นงานทังอีกแล้วมันยุ่งยากไปหมดแต่เนี่ย เพราะปัญญาไม่เร็วไงปัญญาไม่สามารถที่จะมาตัดกิเลสเหล่านี้ได้เร็วไงบางทีอ้าวเข้าใจผิดซะอีกแล้วบางทีจะเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับผู้คนไปเสร็จโอ้โหวันนี้โกรธไปซะเยอะเลยเงี้ยนะเนี่ยนะหลุดไปอีกแล้วหลุดไปอีกแล้วบางทีเรื่องนิดเดียวแคนะ่นั้นแล้กิเลสมันเยอะจัดนะกิเลสมันเข้ามาเล่นงานเร็วหมดลำบากลําบนครับปฏิบัติเนะี่ยปฏิบัติลําบาก แล้วก็รู้ชา้าทีนี้ทุกขาปฏิปทาขิปาพิญญาปฏิบัติลำบากมากเหมือนกันแต่เร็วเจอปัญหาเจออุปสรรคทั้งโรคภยัยไข้เจ็บทั้งอะไรทั้งหลายโดนกระทโดนกระแทกโดนกระทนันทั้งกิเลสภายในด้วยแต่เือรู้เร็วละได้เร็วมันมาจริงแต่ระได้เร็วมาจริงมันหนาทั้งด้านภายในภายนอกนะเร็วมากคนนี้ ใช้เวลาก็ไม่นานคนขวายก็ไม่นานพวกนี้ฟันฝ่าแต่มาด้วยความลำบากโอ้โหบางคนบรรลุมานะครับเหลือครึ่งตัวบรรลุแต่เร็วนะเสือกัดกึ๊กึ๊ตึ๊ ด, ดุลากขึ้นไปบนนั่นนีนะครับแล้วก็กัดข้อเท้ากัดกัดกเพราะข้อเท้าสอง ข, ข้างหลุดปุด๊ดได้วิปัสสนาญาณเป็นพระโสดาบันนี่ทุกข์ขาไหมทุกข์ไหม คีปาปัญญาไหมเร็วไหมมันกัดต่อเฮ้ยไม่วอรไม่ยอมเว้ยเสือกัดต่อกัดกัดกกขึ้นมาหัวเข่าหัวเข่าหลุดไว้ทั้งสองข้างสกะทาคามีมักเอากัดกินเสือกินไปเรื่อยนี่ไม่ยอมเว้ยเรากำหนดต่อกําหนดต่อกําหนดต่อกัดมาถึงเนี่ยหลุดหมดเลยครับหลงนั้นเนี่ยหลุดหมดแล้วก้นเกินหลุดหมดแล้วเออได้อนาคามีมักกัดขึ้นมาอีกพอมัน ทำได้จะถึงหัวใจเเลือดไหลจะหมดตัวแล้วอรหัตมรักเกิดแล้วก็อุทานกันมาว่าพ้นแล้วออุทานขึ้นมายิ้มชื่นใจแล้วก็ปริทิพานคาปากเสือครับเนี่ยทุกขาปฏิปทาคิ ป, ปาปิญญาเขจะยังสวดมาตั้งนานเลยทุกขาปฏิปทาขิ ป, ปาปิญญาอืม <c oughs> <c oughs> ปฏิบัติลำบากปัญญาเร็วถ้าไม่เร็วจะทันไหม <c oughs> อลองลองนะวิ่งองหัว ดันไปทบหัวเลยหมดเลยนี่คิดเลยก็ไม่ออกนี่โอ้ไม่ได้เลยนู่นนะช่วยด้วยว่างั้นไปหาหมอท่นนี่ไม่ดาม่าม้อยทุกกายรลอทุกใจอ๋อ ประเด็นก็คือว่าบางทีร่างกายเราเนี่ยมันมันมันใช้มาขนาดดีแล้วด้วยแล้วเราเคยใช้งานมาอย่างหนักแต่พอมาอยู่ในลักษณะแบบนี้ที่จย่ประพฤติปฏิบัติอย่างเนี้ยมันดินน้ำไปลบในร่างกายมันแปลปวนอย่างหนักเมื่อแปลปวนอย่างหนักมันก็ทุกข์ทุกข์กาย ทีนี้พอกายมันทุกข์มันบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่าจิตมันรวมเป็นหนึ่งได้ยากเราจะคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาก็ต้องเข้าใจให้ดีว่าไอ้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่ไปอยู่ในผมกลเล็บฟันหนังเนื้อเนี่ยมันถึงวาระที่มันแก่รอชลาเนี่ยรือพยาที่เบียดเบียนไม่มีทางที่เราจะสามารถกากับหรือคอนทรมันได้ นี่มันคือความจริงที่มันปรากฏเกิดขึ้นว่ามันมันมันอากตันยูแล้วมันพยศแล้วมันไม่เชื่อมมันไม่รู้คุณแล้วแต่เราเนี่ยก็ยังพยายามประคบประงมดูแลมันอย่างดีอย่างดีแต่ดูมันทำกับเราดิแค่เราจะขอนั่งให้ได้สมาธิแค่นี้มันก็ไม่ยอม ถ้าอย่างอะไรอววรมันอยู่ก็ช่วยเชิญประคอบ ป, ประงมมันไปถ้าจะละความอะไรอววรเสียมไม่ได้เราจะเจริญกุศลให้ได้สักหนึ่งสองสามชั่วโมงเราจะทำเราไม่กังวลมันหรอกถ้ามันตั้งหลักอย่างนั้นได้ก็เรียกว่ามันเริ่มเป็นเขาเรียกว่าเรารู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็ตอนที่จะขนขวายเต็มที่เราก็จนไปลุยทั้งโลกนูน ไปรับใช้กิเลสนุนแต่พอมาจะเริ่มจะขวนขวายเพื่อจะออกจากทุกข์เนี่ยมันก็ต้องเพียรมากกว่าคนอื่นก็ต้องทนทุกข์มากกว่าคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดาแล้วถ้ามัเข้าใจความจริงตรงนี้เสียเนี่ยมันก็ทุ่มมันเต็มที่เลยมันก็เริ่มไม่ใช่ทุ่มแบบประเภทไม่รู้เรื่องรู้ราวเข้าใจมันนี้แหละก็เป็นทุกข์ขาแล้วปฏิปทาปฏิบัติลําบากเร็วเลยช้าว่ากันอีกทีอยู่ที่ปัญญาที่สั่งสม อยู่ที่การฟังแต่ละวันระวันที้เกิดความเข้าใจจนได้ข้อมูลความรู้ว่าเราจะต้องเป็นประเภทรู้เร็วให้ได้มันพัฒนาได้อย่างนี้เป็นต้นนี่เข้าใจส่วนทวงคนนี่เป็นแบบสุขขาปฏิบัตาทันธาปัญญานะครับปฏิบัติก็สะดวกไม่มีดินร่างกายาต่างๆมันมันมันโปร่งหมดเนะี่ยแต่รู้ช้าศีล ส, สมาธิปัญญาก็ไม่เร็วไม่รวดเร็ว ไปเอื่อยๆไปช้าๆไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้กังวลอะไรทําอะไรก็ทําได้นี่แหละแต่ก็ไปได้ช้าศีลสมาธิก็ขึ้นได้ช้าปัญญาวิจัยอะไรก็ได้ช้าแต่ไม่เคยมีอุปสรรคใดๆเลยนะมาขัดขวางทางด้านขันด้า น, านการปฏิบัติเนี่ยแต่มันไม่เร็วมันไม่เร็วไม่ชัดไม่คล่องคิดอะไรต่างเขาคิดได้หนึงเยอะแยะแต่เราช้านี่เขาเรียกว่าปฏิบัติสะดวก แต่มันรู้ชายเหมือนกันบางคนเนี่ยปฏิบัตินี่สะดวกหมดเลยรู้เร็วใช่ไหมไม่ไ ม, ไม่ไม่ลำบากเลยอย่างนี้พเจ้าบอกบาบางท่านเนี่ยไม่เคยให้พระเจ้าต้องลําบากหรือใช่ไหมล่ะไม่ลําบากเลยฟังทำปุ๊บบรรลุแล้วเร็วมากปฏิบัติลำบะเฮ้ย ม, มันสะดวกมากเร็วมากวิจัย๊ ม่โกนปั ก, ปกที่ศรีรษะจืดแค่จอดแค่นั้นเองปัญญาทะลุทะลวงเนื้อเห็นไหมโกนหัวผมหลุดหมดนะบรรลุธรรมเลยางเี้ยแล้วนี่โกนหัวจะกลายเป็นเขียงรับมีดอยู่แล้วโกนน จนผมยังไม่ขึ้นเนี่ยยังยังมันด้านขนาดนี้ปัญญามันดื้อกันนเนี่ยเข้าใจอย่างแล้มันมันเราไปอ่านตำราแล้วก็นึกโอ้โหกูกว่าเง น, นนะ้บางทีก็นู้นไปอ่านคนบนรรลุเรว็วแล้วไม่ดูตนเองทีบางที อะไรก็จํไจบบไไาจจไม่ได้เลยจะรีบบรรลุไปไหนมาเรีบจังยังจําไม่ได้เลยจิตก็จําไม่ได้เจริญสิก็ยังจําไม่ได้รูปก็ยังจําไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นใจข้องป่ากขึ้นใจเลยแต่จะรีบบรรลุซะแล้วนต้องกระตุกไว้ก่อนอย่าเพิ่งโอ้โหให้คนก็าข้องกว่านี้บรรลุ ก, ก่อนนจะรีบแซงเขาอีกอันนี้นี่ก็น่าเกลียดอีกเข้าใจอ่ะ เดี๋ยวก็เกิดความลิสยาในการบรรลุเกิดขึ้นนีเข้าใจไหมข้างหน้าเข้าใจไหมสรุปแล้วเข้าใจเลยเนาะกลับนี่คือรลักษณะของวิปัสสนาญาณมันก็จะมีลักษณะเร็วและช้าแล้วก็ทกกระสุกัน อย่างเราเราน่าจะเกินทกขาปฏิปทาทันทาปิญญาปฏิบัติลำบากรู้ช้านี่แหละมันดีนี่แหละดีแล้วแสดงว่าเคยตั้งอัตยาศัยไว้ขอให้เราเจอปัญหาเยอะๆแล้วก็ขอให้รู้อะไรได้ช้า อบอกปัญหาเราได้ชี้ปัญหาเราถูก ด, ดีอันนี้ก็ได้ว่าตั้งเป็นตั้งอัธยาศัยได้ถูกตรงนี้สําคัญที่สุดก็คือหาที่ปรึกษาแล้วบอกเราได้เพราะคนที่มันมันพลาดก็คือไปได้ที่ปรึกษาผิดนี่เลยโอ้โหมึงคิดถึง เรือ่าเราเราไปใต้คนที่มันบอกทางเราผิดแล้วดันเป็นที่ปรึกษาเราดีเราก็เชื่อมันเหลือเกินมันบอกเราแต่ละทีเนี่ยโอ้โหแล้วผิดแล้วบอกใหญ่เลยจะเนี้ยแล้วมันก็บอกเราเดี๋ยวก็ถึงว่างั้นนีวนมาหลายร้อยหลายพันรอบเลยเราไปเชื่อแบบนี้มานานแล้วพระสมาปฏิวิปสนานี้ต้องเป็น ติขาวิปัสสนายังจะเข้าได้เนาะเพราะว่าติขาวิปัสสนานั้นเป็นปัจจัยช่วยประกาศให้พระให้ผลจิตตูบาทเนี่ยผลจิตเนี่ยเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องอาศัยมรรคจิตูบาตบาคนที่เข้าพระสมาบัติเนี่ยคือคนที่เข้าพระสมมาบัติแปลว่าเข้าได้อริยามรรคแล้วอริยามรรคเกิดขึ้นเขาเพียงครั้งเดียวใช่ไหมครับงั้นเวลาที่เขาจะเจริญวิปัสสนาญาณที่เป็นนาม พิจารณาเห็นความเกิดดับของรูปนามเป็นต้นไปตามดับเขาต้องเร็วต้องเร็วปัญญาต้องเร็วมันถึงจะเป็นปัจจัยส่งในการไปอยู่ในพระสมาบัติได้ถ้าไม่เร็วมันไม่ได้นั้นริงที่ต้องเป็นพวกติกคัดติคขับทีนี้ถ้าเรามองนี้ก็คือว่า เช่นเดียวกันกับมัคคจิตเนี่ยถ้าเราดูเขาเรียกว่ามัคข้าวิถีวิถีที่จะทาให้เกิดวิถีจิตที่จะทำให้เกิดมัคนะครับอันนี้ก็พูดให้เราฟังเป็นวิชาการก็ไว้เราอาจจะมองไม่เห็นหรอกครับมันจะเป็นลักษณะว่า ม, ามนโนปริกรรมนะปะจาระอนุรม โคตรพูเออเข้าไปโวทานเนี่ยหรือโคตระพก็ได้แล้วก็มักไอตรงเนี้ยมันจะเกิดไอพอมักกจิตเกิดขึ้นมาปุ๊บแต่ถ้าหากว่าพอมักกจิตเกิดมาปุ๊บก็จะมีผ ล, ลจิตเกิดต่อสองสามขณะเนี่ยนะ ทีนี้ผู้ที่เริ่มเข้าพระสมมาบัตใหม่ๆนั้นเนะี่ยผู้นั้นก็จะต้องชํานาญในการเข้าชํานาญในการเข้าชํานาญในการฝึกตัวนี้แหละฝึกในการที่จะเข้านิโรธสมมาบัตตรงนี้ก็จะไม่เจาะรายละเอียดตรงนั้นแล้วเพราะว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่จะเข้าพระสมมาบัตไม่ใช่เราส่วนนิโรธาสมาบัตนี่ก็เป็นกลุ่มในลักษณะที่เรียกว่าเป็นพระอนาคาหรือพระหานเวลาท่านได้แล้วนะครับ เป็นพระอาหารแล้วหรือเป็นผ้าอนาคารแล้วเวลาจะไปเข้านิโรธาสมาบัติท่านต้องมาปรับสมาธิกับปัญญาให้บาลานซ์กันเข้าปฐมวชานออกจากปฐมวชานมาเอาปฐมวชานมาพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาแล้วก็เข้าทุติยชานออกจากทุติยชานแล้วก็มาเข้าวิปัสนาญาณเพื่อจะไปพิจารณาทุติยชานโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาไล่ไปงี้เต้นๆๆๆในคู่กันไปงี้ ถ้าแรงไปทางด้านฌานสมาบัติมันจะเข้าฌ า, านแทนถ้าแรงมาทางด้านวิปัสสนาญาณเกินไปสมาธิน้อยมันจะมาเข้าพระสมาบัติมันเลยไม่ได้นิโรธไอสมาธิกับปัญญามันถึงต้องบาลานซ์กันต้องบาลานซ์กัน ก็คือตัวคนที่จะเข้านี่เราสมาบัติได้ต้องมีหลักก็คือหนึ่งเป็นผ้า น, านาคาได้สมาบัติแปดหรือเป็นผ้ารหารที่ได้สมาบัติแป mm hmm. ก็ต้องมาฝึกในการเข้าฌานกับการเจริญวิปัสสนาญาณเนี่ยให้ได้บาลานซ์กันก็คือสมาธิกับปัญญาให้บาลานซ์กันถ้าไปเข้าสมาธินานเกินไปเด่นเอียงไปทางด้านสมาธิแต่วิปัสสนาญาณ น, นิดเดียว ท, ท, ทุกลำดับเลยนะ ปฐมฌานทุาาติยาฌานตัิเยฌานจจดุระฌานเลือโรเบฌานเนี่ยอันนี้การเดินวิปัสสัญญาณนิดเดียวแต่มันไปทางด้านสมาธิเด่นเด่นเด่เด่ น, ด น, ด น, ดนแรงกว่าชัดกว่ามันจะเวลามาเข้าสุดท้ายปุ๊บมันจะเอียงไปทางด้านสมาธิมันก็เป็นแค่สมาบัติสุดท้ายเช่นเนว่ามันจะเป็นเนวสัญญาณนะสัญญายาตนาฌานไปเลยอันนี้จะเรียกว่าทําไม่บาลานก็เลยเอียงนิดเอียงไปทางสมถะ อีกกลมหนึ่งสมถะเนี่ยเข้าเข้าน้อยแต่วิปัสนาเยอะวิจัยเยอะวิจัยเยอะทุกชาตเลยนะครับวิจัยตื้อๆเยอะไปมาเลยฟึดมาทางวิปัสนาญาณก็เลยไปเข้าพระสมาบัติไม่เป็นนิโรธาอีกไม่ได้เขาเรียกว่าเขาว่าไงอันเดียวกัน คืออย่างนี้คำว่าสัญญาเวทยิตนิโรธสัญญาสั์นั้นเป็นชื่อของจิตตุบบาททั้งจิตและเจตสิกคือตัวเวทนาขันสัญญาขันสังขาระขันวิญญาณขันเนะ่ตัวจิตตุบบาทเนี่ยนามาขันทั้งหมดดับทีนี้นามาขันดับปุ๊บมันไม่ใช่ดับแค่นามาขันแล้วจิตตเชรูป รูปที่มีจิตเป็นเป็นสมุธฐานเป็นปัจจัยเนี่ยมันเลยดับเรื่อยสรุปคือขันห้าครับดับมีอะไรบ้างมีเวทนาขันดับสัญญาขันดับสังขารขันดับวิญญาณขันดับรูปขันในส่วนของจิตตรรููปปดับับทีีนน้ขก็เลยเหลืออยู่ิมกกลุ่มมรรมชรชูปรูปที่เกิดจากกรรม อาหารและชรูปรูปที่เกิดจาก อ, อาหารอุตุชรูปรูปที่เกิดจากอุตุกลุ่มรูปธรรมสามกลุ่มนี้ยังอยู่แต่จิตชรูบที่ปกคุมกราราชกกายทำให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนเนี่ยดับดับหมดเลยนี่ันห้าดับตามกำหนดระยะเวลาที่อธิษฐานตั้งใจไว้ ต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมฌานฝ <c oughs> ึกเขาฝึกตั้งแต่การเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วเขามาเดินวิปัสสนาญาณให้บาลานกันคือคือวิปัสสนาญาณกับตัวสมถะหรือตัวสมาธิต้องให้บาลานกันทุกองฌานทุกวิปัสสนาญาณต้องบาลานไปอย่างนี้ให้มีความให้ได้ดุลยภาพกัน ตั้งจิตในการที่จะดับจิตเจริญสิกและจิตตชรูปตามกําหนดระยะเวลาฉะนั้นเมื่อมาถึงกำเมื่อมาได้ตัวสมาบัติ ท, ท้ายแล้ววิปัสสนาญาณท้ายแล้วถึงดับวิปัสสนาญาณท้ายแล้วจึงดับทั้งหมดเลยพอจากการตั้งจิตในฐานดับปุ๊บจิตเลยดับที่เป็นนิพพานไปเลยครับเขาเรียกนิโรธนะ่ยสัญญาเวทีตนิก็คือดับจิตเจรสิก และจิตตะชลบก็ดับลงทันทีตามกำหนดระยะเวลาที่ตั้งใจไว้ทันทีมันเป็นไปลักษณะแบบนี้ทีนี้พอดับแล้วอย่างนี้ที่เรียกว่านิโรธาสมาบัตหรือสัญญาเวทยตานิโรดเนี่ยก็เป็นชื่อของสัญญาสาบนั้นเป็นชื่อของจิตเจตสิกทั้งหมดเลยนะสัญญาตัวนั้นเนี่ยเหมือนครดีว่า เนวะสัญญาณนาะสัญญายตนะใช่ไหมชานเนี่ย mm. ก็คือมีความรู้สึกก็ไม่ใช่จะมีว่ามีความรู้สึกก็ใช่ในะสลับทีนี้ประเด็นจริงๆตัวนิโรธสมาบาัตินี่ดับหมดถ้าพูดกันอย่างนี้ก็เรียกว่านั้นแหละคือนิพพานที่ท่านฝึกเข้านิพพานถ้านนิพพานที่เป็นนิพพานที่ ท่านปราถนาอย่างแท้จริงก็แปลว่าดับแล้วไม่ไม่กำเริบขึ้นมาอีกที่พระท่านกำหนดตัวระยะวไว้สมมุติว่าหวันหวันหรือเจดวันนี้นะครับที่ท่านตั้งใจเข้าไว้เบ็เสร็จแล้วถึงกำหนดระยะเวลาปุ๊บจิตกลับขึ้นมาใหม่นะถ้าเป็น พระนาคาก็พระสมาบัติขึ้นมาก่อนถ้าเป็นนั้นพานอาหารก็คืออารหัตผลขึ้นมาก่อนหนึ่งข น, นาดแล้วก็ลงพวังเห็นไหมครับลงพวังก็ขึ้นสู่วิธีจิตธรรมดาน เ, นเนี่ยเป็นเงี้ยปุ๊บ ก, ก็ใช่ก็นาคามีผลถ้าพระอาหารก็อารหัตผลขึ้นมาก็มีสัมผัสนิพผานไปแตลมพุ แล้วก็ลงผวังพอลงผวังเสร็จก็เป็นวิถีจิตธรรมดาและท่านก็มาใคร่ควรว่าท่านจะต้องไป อ, งอนุเคราะห์ไขมานาสการที่จะอนุเคราะห์ไขให้ได้บุญมากที่สุดเท่าที่ท่านได้อยู่ในพระนิพพานมีสมาบัติการเข้าสมาบัติในครั้งนี้ท่านก็จะเริ่มไข่ครวรแล้วและท่านก็จะไปตามกําหนดนั้นเอาคนที่แย่ที่สุด ถ้าท่านทั้งหลายได้ตรงนี้ก็อย่าลืมผมนะครับนะลงน้านะน ะ, นะอย่าลืมนะผมจะได้เอาตอนนี้ในด้านของวิปัสสนานะ สังขารับปริคันาหานากาวิปัสนาวิปัสนาญาณที่กำหนดรูปนามกันหาเป็นอารมณ์เพื่อให้ได้อริยมรรคียผลส่วนพระราสมาปฏิวิปัสนากับวิปัสนาญาณที่พิจารณารูปนามโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพื่อเข้าพระราสมาบัตินิโรธาสมาปฏิวิปัสนาญาณก็เป็นการวิปัสนาญาณที่มีการพิจารณามหาคตรธรรมเป็นต้นเพื่อจะเข้านิโรธสมาบัติก็คือ พิจารณาชาณาจิตเป็นต้นเหไรเนี่ยโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตาเป็นต้นเพื่อจะเข้านิโรธสมาบัติในวิปัสสนาญาณทั้งสามอย่างในสังขาระปริคัญหาหนาัาวิปัสนาเป็นวิปัสสนาญาณที่เป็นมันทะลิติขะก็ตามเนี่ยล้วนแต่เป็นเหตุใกล้ให้ได้บรรลุอริยมรรคอริยผลทั้งนั้นพระสมาบัติก็ต้องเป็นติกขะอย่างเดียวจึงจะสมควรเช่นเดียวกับการเจริญ ขององค์มรรคในมรรคจิตเพราะว่าวิปัสสนาญาณเนี้ยแม้จะมีสังขารธรรมเป็นอารมณ์ก็ตามแต่เมื่อมีความเป็นไปอย่างท้อถอยจากสังขารธรรมประการหนึ่งคำว่าท้อถอยเนี่ยหมายความว่าเขาไม่ต้องการสังขารเบื่อหน่ายในสังขารในตัววิปัสสนาญาณทั้งหลายเราเนี้ยคือวิปัสสนาญาณเวลาไปมีสังขารธรรมเป็นอารมณ์เขาเบื่อสังขาร ไม่อยากจะได้สังขารอีกต่อไปไม่ต้องการสังขารอีกต่อไปไม่ต้องการรูปนามกันน้ากต่อไปใจมันถอดถอดถอยที่จะไปมีสังขารธรรมเป็นอารมณ์เนะือุอญญว้ปััสนาญาณเบื่อได้ปัญญาไม่ใช่ท้อเหมือนทีน้ำมิถะพอไปเห็นความจริงตรงนี้เบ็เสร็จแล้วไม่อยากรับรูปนามอีกแล้วอยากใจก็น้อมไปหานิพานโอนไปหานิพาน ลาดไปหานิพ v a n เอียงไปหานิพ v a n อยากน i r v a n ในขณะนี้ได้ก็อยากอย่าไปเลยนะท่านเคยเบื่อแฟนไหมท่านเคยเบื่อไหมแต่เบื่อแบบโทสะก็เบื่อได้ปัญญาก็คนละอย่างนะถ้าเบื่อได้ปัญญาเนี่ยคําว่าเบื่อเบื่อคือเบื่อเบื่อขันห้านี่ก็เบื่ออยู่แล้วอ่ะฉะนั้นเราการแปกขันถ้าพาราเนี เยอะแยะเนี่ยมันมันเลยไม่ไม่ไม่ไหวใจมันน้อมออกเนี่ยี่จริงมันเห็นทั้งภายในภายนอกนะแต่เราเบื่อหน้าคนนี้ถ้าเกินเบื่อหน้าคนนี้อันนี้ไม่ไม่ใช่แบบนา น, นะครับเรีกโทสะโทสะมันก็เบื่อเนะยให้สังเกตดูนะถ้าเบื่อแบบโทสะเดี๋ยวก็ไปชอบอีกเบื่อแล้วก็ไปชอบอีกมันเบื่อเยอะมันเบื่อ เบื่ออารมณ์นี้แต่อยากได้อารมณ์ใหม่มันเบื่อสังขารนี้แต่อยากไปได้สังขารใหม่เบื่อรูปนามนี้อยากไปได้รูปนามใหม่อันนี้ไม่เรียกวิปัสสนานครับวิปัสสนาเนี่ยมันเบื่อสังขารทุกสังขารรูปนามทุกรูปนามอารมณ์ทุกอารมณ์แม้เบื่ออันนี้เบื่อสังขันทภาระที่เรียกว่าที่เลือกตัวตนเ คือชีวิตเนี่ยมันถูกขังกระแสความคิดเนี่ยมันออกจากสีเสียงกินรถผลิตภัณฑ์ธรรมลมไปออกจากตาหูจมูกเล่นกายใจไปมันวนอยู่แค่เนี้ยมันเซ็งคือตรงเนี้ไปดูสีก็คือจะสีอะไรก็คือสีอ่ะจะบ้านจะรถจะทรัพย์จะที่ดินจะยศธรรมนิสราก็คือสีอะเสียงก็คือเสียงเสียงนกเสียงเป็ดเสียงไก่เสียงคนเสียงนั้นก็คือเสียงมันก็คือเสียงแค่นั้นนะครับ ก็เป็นก็รถก็คือรถมันจะมีอะไรไม่ต่างอะไรก็แล้วแต่เต็มพตันหาเนี่ยเวลาตันหามันเกิดไอ้อุปทานมันเกิดมันก็เลยไปยึดว่ารถนี้อร่อยรถนี้ไม่อร่อยแต่จริงๆก็คือเนี่ยมันมีอะไรหนึ่งคิวฮับศาสตรน้ําลายไอ้น้ําลายที่ปลายลิ้นก็ใสๆหน่อยกลางลิ้นก็คุณคุหน่อยคนลิ้นก็เหลืองเตอะก็ต้องมีน้ําลายใช่ไหม ผสมกับสเลดผสมกับน้ำลายมีน้ำนี่แหละแล้วก็มีตัวชิวหาประสาทก็มีดินน้ำใบลมที่เรียกว่าข้าวเรียกว่าอาหารเรียกว่ากระปุกกรแปอะไรลาดลงไปแล้วก็แล้วก็เคี้ยวมีการเกลือกกลั่วกันอยู่เรียกว่าอร่อยเรียกว่ามันชอบไอ้ตั้หามันโง่อยู่ไหมแล้วมีโมหะปิดกั้นอยู่มันก็ไปเนี่ยก็ไปยินดีไปเพลิดเพลินมันอยู่แค่ตรงนี้ แท้จริงมันไม่มีอะไรเลยนะจะรสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสอะไรที่มันบัญญัติเรียกกันจริงๆที่ก็คือรสก็ชิวหาประสาทกินกันจนลิ้นจะพังอยูะไรเนี่ยตายกันมาไม่รู้เท่าไหร่กินจนลิ้นรับรสไม่ได้ก็เติมให้มันเค็มให้มันเผ็ดมันอะไรขึ้นไปมันก็อยู่แค่นี้แหละชีวิตนะไม่มีอะไรหรอกนะต้องผ่านลิ้นถึงจะอร่อยเจาะเข้าคอได้ไหมเข้าท้องเลยเอา้าอัดเข้าไป เฟรชขาท้องไปเลยไม่ยอมอีกมันไม่อร่อยเงั้นมันก็คือเนี่ยเป็นธาตุของไอ้ละระสารมนะราสานี่คือรสชิวหาประสาทก็คือปรสาทลิน้นอาศัยชิวหาประสาทอาศัยระสารมอาศัยชิวหาวิญญาณสัมผัสกันทําสามการเป็นผัสสะพรอผัสสะแล้วเป็นปัจัยเกิดเวทนาแล้วต้องการอะไรเนี่ยต้องการเวทนา แล้วต้องการสุกเท่านั้นนะถ้าทกไม่เอาเลยนะทกเวทนาไม่เอานะเคี่ยวเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่าขมปิดเลยเงนะแผดอย่างมากเลยเงร้อนด้วยเงี้ยเอาไหมเอาไหมเอางี้ไอ้น้ำผึ้งเนี่ยหวานใช่ไหมเอาอยู่บนคมมิดโกนเนี่ยแล้วก็ตั้งอย่างเงี้ยแล้วใช้ลิ้นเลียครับ มันอร่อยเป็นนิดแต่เล่นมันขาดมันอร่อยนิดแต่ตันหาตันหาที่ยินดีตันหาที่เพลิดเพลินตันหาที่ชอบใจเนี่ยแล้วมันทำกรรมคือความหลงความมัวเมาในการกินขนาดจิตที่มันนั่นเน่บาปที่มันจะต้องไปเกิดเป็นควายเป็นนอนเป็นหมูเป็นช้างเป็นม้าเป็นเป็ดเป็นไก่เนี่ยมันมันทรมานมากกว่า ตัดลิ้นทิงน้งถ้ากินด้วยตัณหาถ้ากินด้วยตัณหาเนี่ยบา ป, ปกรรมมันมันมากกว่าที่เราจะต้องไปจมอยู่ในสังสารวัตเข้าใจไหมนะเขาจึงบอกว่าตัดลิ้นทิ้งเนี่ยมันยังดีกว่ากินแล้วมันอร่อยด้วยตัณหาด้วยความยินดีด้วยความเพลิดเพลินหนึ่งคำเพราะการที่ไปจมจมอยู่ในสังสารวัตเพราะกินด้วยความยินดีเพลิดเพลินเนี่ยมันเจ็บปวดมากขนาดนั้นเลยนะ หรือถ้ามองเนี่ยแล้วเกิดตันหาราคะเนี่ยเอาแหลมหลาวพังตายมันทะลุอะมันดีกว่ามันเจ็บปวดเฉพาะชาตินี้แต่การที่ได้ ตันหาเกิดขึ้นทิฏฐิเกิดขึ้นมานะเกิดขึ้นราคะโทสาโมหาเกิดขึ้นบาปศุลกรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วจะต้องไปเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นช้างเป็นม้าเป็นวัวเป็นควายเป็นหมูเป็นหมาเนี่ยเป็นสัตว์นรกเป็ดสัตว์เดชานมนุษย์เทวดาที่มันจมอยู่ในสังสารวัฏมันออกจากทุกข์ไม่ได้ทรมานมากกว่าอืมอันนี้ทุกชาติเดียวมันดีกว่าอย่างนี้ฮะนี่พุทธพจน์อย่างนี้เลยนะครับนี่คําสอนแบบนี้เลยนะ ก็นี่ไงกระทังบอกว่าเล้นขาดมันทุกตายเพื่อเมันดีกว่ากินด้วยตันหาตาบอดจากถูกทิ่มถูกแทงดีกว่ามองแล้วตันหาเกิดหูหนวกอะไรทิ่มหูทะลุเนีกลับฟังแล้วมันเพลินในเสียงดมอะไรปุ๊บมันยินดีเพลิดเพลินในการดมกับการตัดจมูกออก หรือว่าเอามีดกรอนมาแย่แล้าหนังออกดีกว่าสัมผัสแล้วมันเกิดตันห่าราคะคิดอะไรแล้วมันเกิดรู้สึกว่ามันยินดีเพลิดเพลินเนนะ่ยควักหัวใจทิ้งนะมันยังทรมานน้อยกว่าที่ต้องไปเจ็บปวดทีสังสารวัตหลักการคืออย่างเนี้เขา้าใจไหมล่ะหลักการคืออย่างนี้เลยในพระศาสนาของพระเจ้าพระเจ้ า, ากล่าวอย่างเนี้ยจะว่างไง น่านจะว่าไงทีนี้แล้วเรามองอีมันจะทุกยังไงวะการกินแล้วแค่อร่อยสักนิดเงี้ยการที่เราเติดด้วยตัณหาด้วยทิฏฐิด้วยมานะด้วยราคาด้วยโทสะด้วยมัวอกุศนชนะ ชาวนาดวงที่หนึ่งให้ผลในอัฐภาพนี้ชาวนาดวงที่เจ็ดให้ผลในพบถัดไปชาวนาดวงที่สองถึงดวงที่เจ็ดแค่ชาวนาดเดียวจะให้ผลสองถึงหกเนี่ยจะให้ผลตั้งแต่พบที่สามเป็นต้นไปจนกว่าจะพ้นทุกถ้ายังไม่พ้นทุกคุณก็โดนมันเล่นงานต่อไปอ้อาวสิ ใช่ใช่ใช่ที่ท่านทํามาทั้งหมดนั่นแหละมันมันฝังลงไปในขันทักษันดานเรียบร้อยแล้วมันเก็บสะสมไว้เป็นพลังของกรรมเรียบร้อยพร้อมที่จะรอโอกาสให้ผลนึกท่านต่อไปนั่นแหละคือท่านได้สำเร็จผลแล้วครับขอแสดงความยินดีด้วยที่ท่านจะต้องไปเจ็บปวดในสังสารวัฏแต่ผมไม่เอาด้วยเนะมันเป็นอย่างนี้ฉันจะว่าอย่างไง เข้าใจไหมแล้วพระเจ้าขู่แล้วพอพระเจ้าพูดด้วยสัพพยุติยานพุดด้ยานที่เห็นความจริงแต่เราเนี่ยยังไม่มียานปัญญาเทนี้เห็นตามใช้ความเชื่อตามก่อนแล้วก็ใช้เหตุผลใช้ตรา ก, กะความรู้ก็เรื่องเหตุผลแค่ว่าฟังจําเข้าใจทั้งตลอดได้ด้วยปัญญาได้เหตุได้ผลอุดจริงเว้ย ได้อย่างนี้แล้วแทงตลอดบ่อยๆนะด้วยเหตุผลนี้บ่อยๆบ่อยๆเอามาตราตรองบ่อยๆไตราตรองบ่อยๆจนฝังแน่นได้เมื่อไหร่แปลว่าคุณโอเคแล้วฟังจําเข้าใจแทงตลอดด้วยปัญญาด้วยเหตุผลระดับเหตุผลแล้วให้ปัญญาระดับเหตุผลเกิดบ่อยๆบ่อยๆอันนั้นวิธีการ นะหลักการก็คือต้องฟังให้เข้าใจวิธีการก็คือไปทำให้เกิดขึ้นนะผลปรากฏก็คือจะทำให้เราไม่เจ็บปวดมันเป็นพื้นฐานของการที่จะต้องฝึกใช่ต้องพิจารณาคาว่าพิจารณาเนี่ยหมายความว่าทำความเข้าใจในขณะฟังเนี่ยแล้วก็ไปค่อควนบ่อยๆค่อ ย, ยคบอย้บ่อยๆถึงหน้างานในขณะกินแล้วจะได้ไม่เป็นทาต ไม่ใช่ว่าพอถึงเวลากับปฏิสังขาโยนิโสปินตาปาตังปฏิเสวามีเนวัทวายาลายไปตามอย่ า, ยาเสร็จแล้วก็มองอยากกินไข่นั่นและไม่อยากกินไข่นั่นแหละท <laughs> ่ก็ปฏิสังขาโยทุกวันามาเรียบร้อยเลย อา้าตอนนี้มาพูดถึงเรื่องกรรมฐานนี่ยังไม่ได้พูดยังไม่ได้ขยายคําว่ากรรมฐานเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะเข้ากรรมฐานมันมาจากคำสองบทเองนะคำว่ากรรมฐานเนี่ยกรรมฐานนะเขาแปลว่าเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญสมะถะและเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญวิปัสสนามันแยกได้สองบทนะครับกรรมมากกับคําว่าฐานนะ กรรมมาเแปลว่าการกระทาฐานะก็แปลว่าเป็นที่ตั้งนะครับเหมือนเรากรรมฐานกรรมฐานเราพูดกันจังเลยใช่ไหมใช่ไหมกรรมฐานเนี่ยเขาแปลว่าเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญสมถะหรือเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญสมาธิก็ได้หรือและเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญวิปัสสนา มันมาจากสองบทนะครับคําว่ากรรมฐานเนี่ยกรรมมะนะ่ยบทหนึ่งฐานะเนะ่ยบทหนึ่งกรรมมะสั์นั้นแปลว่าการกระทําบทนั้นนะ่ยแปลว่าการกระทําฐานะนะ่ยแปลว่าเป็นที่ตั้งเอาสองบทมาเชื่อมกันมารวมกันมาสนธิกันมาต่อกันขึ้นมาก็เรียกกรรมฐานแปลเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญสมถะหรือเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญวิปัสสนา มาจะคำว่ากิริยากรรมมังการกระทำชื่อวกรรมกิริยากรรมมังการกระทำชื่วกรรมหรือมาจะคคำว่าติดถติเอตถาติฐานังการเจริญสมถะวิปัสสนาย่อมตั้งอยู่ในอารมณ์มีกสินเป็นต้นและทวิปัสสนาก็มีรูปนามเป็นต้นฉะนั้น อารมณ์อันมีกระสินเป็นต้นและมีรูปนามเป็นต้นน่ชื่อว่าฐานะฮะชื่อว่าฐานนะครับกระสินก็เป็นฐานรูปนามก็เป็นฐานกระสินสิบเป็นต้นเนี่ยนะกระสินสิบเป็นต้นเนี่ยเป็นฐานก็คือเป็นที่ตั้งของการเจริญสมถะรรูปนามเป็นฐานคือเป็นที่ตั้งใงการเจริญปัญญาหรือวิปัสสนาปัญญาเขาจึงเรียกว่ากรรมฐาน แตอย่างยัล้วถ้าแปลอย่างเงี้ยมันถึงจะชัดกรรมฐานเราชอบพูดกันไงคำเนี้ยก็เลยบอกว่ากรรมฐานมาจากกี่บทอ่ะสองบทกรรมมากฐานนะก ร, รมมาแปลว่าการกระทําฐานนะก็แปลว่าเป็นที่ตั้งถ้ากรรมฐานก็เลยแปลว่าเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญสมถะเขาเรียกว่าสมถะกรรมฐานถ้าเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญวิปัสนาเขาเรียกว่า วิปัสสนากรรมฐา น, น, นก็เรียกว่ากิริยากรรมังการกระทําชั่วกรรมการเจริญสมถะหรือการเจริญวิปัสสนาเขาเรียกการทำกรรมการทํากรรมนะครับกรมกกรมคือกอไก่รอเรือสองตัวโมมากรรมศัมา์นั้นเนี่ยเว่าการมาจากคาว่ากิริยากรรมังกิ ร, กริแล้วก็เท่ากับกรรมังนั่นแหละกิริยาเนี่ยการกระทําชั่วกรรม ตติเอถาติฐานนังก็คือการเจริญสมถะวิปัสสนาย่อมตั้งอยู่ในอารมมีกสินเป็นต้นและรูปนามฉะนั้นอารมมีกสินเป็นต้นและรูปนามจึงชื่อว่าฐานถามว่าอะไรเป็นฐานเป็นที่ตั้งของการเจริญสมถะอ๋อมีกสินสิเป็นต้นครับแล้วมีอะไรเป็นที่สุดเลยมีอะไรเป็นที่สุด เกสินส0บอสุภา10สิบอนุสติสิบ ว, าวาัฏอปมัญญาสี่วาวฐ า, านหนึ่งแล้วก็อาหาเรปฏิกูรสัญญาหนึ่งแล้วก็อรูปกรรมาฐานสี่นั่นแหละเป็นที่สุดนใช่ไหมแล้วก็รูปนม้มเป็นฐานเป็นที่ตั้งของวิปัสสนาหรือปัญญา ทั<ภ>้งกรรมฐานสองอย่างก็คืออารมณ์กรรมฐานอย่างหนึ่งอรรมนิกะอารรมนิกกาภาวนากรรมฐานอีกอย่างหนึ่งเราไปสองอย่างใช่ไหมครับถ้าพูดอย่างเนี้เราก็จะงงกันแล้วอารมณ์กรรมฐานกับอารรมนิกะภาวนากรรมฐานอารมณ์กรรมฐานพูดถึงที่ตั้งพูดถึงฐานครับอารรมนิกะภาวนากรรมฐานพูดถึงตัว ตัวสติตัวปัญญาตัวความเพียรหรือพูดตัวตัวตัวสมาธิหรือตัวปัญญาเป็นต้นตัวที่เข้าไปเจริญตัวที่เข้าไประลึกตัวเข้าไปวิจัยเห็นไหมก็อารามณิกะภาวนากรรมฐานเฮ้มันมีสองอย่างอย่างแย่ๆกันนะอารมณ์อารมณ์กรรมฐานกับอารามณิกะภาวนากรรมฐาน ถ้าอารมณ์รมกรรมฐานของสมถะก็มีปทวีกสินก็มีกสินเป็นต้นถ้าอารมณ์กรรมฐานของวิปัสสนาก็ได้แก่อะไรเดียรูปนามนามรูปถ้าพูดกันให้ตรงตามสท์ของภาษาของพระเลยเขาเรียกอะไรรู้เตโูมิกะสังขารธรรมเตโูมิกะสังขารธรรมหมายความว่ารูปนามที่เป็นไปในภูมิทั้งสาม คือในกามาภูมิรูปภูมิอรูปภูมิทั้งหมดเลยคันห้าที่เป็นไปในภูมิสามทั้งหมดนะครับเป็นอารมณ์ของวิปัสนาญาณเป็นอารมณ์ของวิปัสนาญาณหมดเลยนะครับนี่มันเป็นอย่างนี้แหละกรรมมัฏฐานังกรรมฐานังอารมณ์มันเป็นที่ตั้งใงการเจริญสมถะเรียกว่าส ม, กมสถกรรมฐาน อารมมันเป็นที่ตั้ ง, งการเจริญวิปัสนาก็เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานใช่ไหมล่ะส่วนอรรมนิกภาวนากรรมฐานได้แก่ความพยายามในการเจริญสมถะอรรมนิกะภาวนากรรมฐานก็ได้แก่การเพียรพยายามในการเจริญวิปัสนาที่เกิดขึ้นก่อนกอนและคำว่ากรรมัตจะฐานังกรรมฐานัง ความพยายามที่เกิดขึ้นก่อนๆอันเป็นที่ตั้งของความพยายามที่เกิดหลังๆชื่อว่ากรรมฐานวจนะฐานนี่หมายความว่าอะไรความพยายามที่เกิดขึ้นในครั้งหลังๆเนี่ยมีความพยายามที่เกิดขึ้นก่อนอนั้นเป็นระยะระยะสืบต่อกันมาเน่แหละเป็นที่ตั้งฉะนั้นความพยายามที่เกิดขึ้นก่อนๆนั้นจึงชื่อว่าเป็นอารัมมณนิกาภาวนากรรมฐาน ก็คือตัวสติตัวปัญญานี่แหละตัวสมาธินี่ะสรุปก็คืออารมณ์ของสมถะอารมณ์ของอารมณ์ของสมถะมีกสินสิปเป็นต้นใช่ไหมก็ชื่ <world> อว่าเป็นกรรมฐานหรืออารมณ์ของรูปอารมณ์คือรูปนามขันห้าเป็นต้นก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานอารมณ์ของสมถะและวิปัสสนานเนี่ยมีกสินมีรูปนามเป็นต้นเนี่ยที่ชื่อว่ากรรมฐานเนี่ย ความพยายามที่เกิดขึ้นก่อนๆติดต่อกันมาเป็นตามลำดับชื่อว่าอะไรชื่อว่ากรรมฐานทั้งสองประการเนี้ยต่างกันแต่เพียงอย่างหนึ่งก็คืออันหนึ่งเป็นอา ร, รมณธรรมอันหนึ่งเป็นอา ร, รมณิกธรรมต่างกันแค่นี้แหละครับอุปมาเหมือนอะไรเดียเหมือนละครอย่างนั้นเหมือนตัวละคร ส่วนอีกอย่างหนึ่งอารามานิกะธรรมะโอปมาเหมือนกับผู้ดูละครนะครับไอละครกับผู้ดูละครนเนี่ยนะครับไอตัวละครเหมือนอารามนานธรรมผู้ดูละครอารามานิกาธรรมใช่ไหมใช่อารามานิกะนี่คือผู้ดูาราดสรุปและการเจริญกรรมฐาน ก็เหมือนกับการดูรละครมีคนแสดงละครกับคนดูละครใช่ไหมการเจริญกรรมาฐานก็นี่แหละก็มีตัวอารมณ์กับตัวผู้เข้าไปรู้อารมณ์นี่ใช่สติสมาธิปัญญาความเพียรว่าไป ทีนี้ที่ต้องแยกอย่างนี้เพราะอะไรเพราะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นก็ต้องมาเป็นทั้งด้เป็นได้ทั้งอารมณนะกับอารมณิกะมันเป็นได้ทั้งสองอย่างจึงต้องออปมาอย่างนี้เข้าใจยังยังข้างหน้ายัางไม่เข้าใจข้างหลังก็ยังไม่เข้าใจ เข้าใจตรงกลางก่อนั้นก็ไปขยายกันเองนี่สองทุ่มครึ่งแล้ววยวันเนี้สมควรเก่เวลาแล้วมั้งเนี่ยฮะมันจะลึดไว้วาฮะก็ควรท่องจิตเจดสิกรูปให้เข้าใจแล้วก็จะฟังเข้าใจหมดเลยเป็น เข้าใจยังอ๋อแม่ให้เข้าใจจิตเยสิกก่อนวิถีโอ้โหแต่เดือนวิถี6เดือนนะครับเ อ, อ่อเดี๋ยวก็เข้าใจ เ, าเคยเคยโกรธไหม เ, เออนั่นแหละไอ้ตัวโกรธนั่นแหละเขาเรียกโทสะจิตกับโทสะเจยสิก มันเกิดร่วมกันเลยโกรธเคยโลภไหมนี่เวลาโลภขึ้นมาก็แล้วโลภัสจิตกับโลภัสเจตสิกมันเกิดร่วมกันเคยหลงไหมนั่นแหละโมหะจิตกับโมหะเจตสิกมันเกิดร่วมกันมันเลยทําให้หลงเนี่ยคือจิตกับเจตสิกเข้าใจยังมันเกิดขึ้นกันลงหน้าทุกวันเลยนั่นนันเป็นอย่างนั้น มันมันเรื่องชีวิตเราเนี่ยมันเกิดร่วมกันที่ถ้ายังมันจะเป็นจิตกระเจสิกมันเกิดด้วยกันนี่อีตัวหนึ่งเป็นตัวประธานอีตัวหนึ่งเป็นตัวกรรมการเข้าใจยังจากนั้นนั่นแหละเล็าเรียกจิตเจแสสิกถ้าเรียกให้เต็มอัตตาการเกิดขึ้นเขาเรียกจิตตุปบาทหรือเรียกว่ากุศลจิตกับอกุศลจิต นั่นแหละรวมกันอยู่ในนั้นแหละแต่เรียกจิตเป็นประธานเสียไอ้ลูกน้องไม่ต้องรู้ไม่เรียกแปลว่ามีอยู่ในนั้นด้วยเหมือนคำว่าเออวันนี้พระราชาเสด็จเนะี่ยไม่ต้องบอกว่าบริวารหรอกไม่ได้มาท่านเดียวเนี่ยมีบริวารด้วยฮเออวันนี้โลวันนี้โลภะจิตเออวันนี้วันนี้โลภจังว่เงี้ไม่ต้องบอกเลยตัวนั้นโหมีตัวปรงแต่งในโลภะจิตอีกเยอะ บอกบอกชื่อระทานอย่างเดียวแค่นั้นในนั้นอีกเพียบแต่เราไม่ได้ไปรู้เขาแค่ น, นั้นเองเข้าใจยังโอเคนะเอาละสมควรเกบเวลาขอให้ท่านทั้งหลายมีดวงตาเห็นธรรมในอัตภาพนี้